วางใกล้ๆนค่งเลยนะเออวางวาท่กล่องนีาง้แล้ววางไว้บนกองเดี๋ยวกล่องนีนะกล่องน้นาแล้วนครับอะรหังสัมมาสัมตาควะผู้าวันทางอิวาีสว โตพัวตมโมตามนางมาสลายสุปฏิปันโนพัวโตสาวกสังโฆสานงนั้ินมตัส ตัสสะนาโมตัสสะมะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาติเมสรัญญาญญาณโกโตเมสัรัญญาวะรัม ตาเยนาวาจายาวะเจตสาวะผูเทพุกคลมังคตังไมยะยังผู้ทูติคันาตัวเทียนตังการันตเรสังวริตุะ้เทนาติเมสารานัญยังธรมโมเมส การหนาตัวใจยันต์การันต์เรื่องว u นที่ตัวเามา แล้วก็ขอโมทนากับพวกเราทั้งหลายนะในการตั้งใจในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันในการศึกษาคำสอนตอนนี้ก็คือศึกษาในสติปัฏฐานสูตรในในสติปัฏฐานสูตรท่านนาทีขนิกาย ท่านจะเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรท่านในมันชฌิมานิกายในคมภีร์ที่เราเอามามัชฌิมานิกายมุรปัานาสนี่นะอันนี้จะแปลว่าสติปัฏฐานสูตรตรงนี้เนี่ยนะเริ่มต้นที่ในพระสูตรนี้ที่ท่านบอกว่าเอวังเมสุตังเนี่นะเอกังสมยังบกวาคุรุสุวิหรติดดัมมาสักกมังนามัครุนังนิขโม ตตะโคพระควาภิคุอมันเตสีพิขโวติปะทันเตติเ ต, ตพิคูพระควาโตป จ, จัตโสสูงมควาเอตัโทจักข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในแคว้นกุรุทั้งหลายทรงอาศัยนิคมหนึ่งของชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสัฎมะหน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระผู้ขขาาก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ โสกาปริเดวนานังสมติกามายะเพื่อก้าวล่วงความโศกและปริเทวะดุขโทมนัสานังอัถังคมายะเพื่อความดับไปแห่งทุกข์และโทมานัตยายาสานิกรามายะเพื่อบรุยยธรรมนิพานนัสสะสถิกริยายะเพื่อกระทาพระนิพานให้แจ้งแล้วก็ยาตีดังจัตตารสติปทานาหนทางนี้คือสติปฐานสี กตเมจัตตารโรบกสติประธานสี่เป็นเชไหนอีทาพิกเวพิกขุ ด, ดูก่านพิกษูทั้งหลายภิกษูในพระธรรมวินัยนี้นะกาเยกายานุปัสสีวหิหารติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยาโรโอเกภิชาธรมานัสสังบอกว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชาัญญะมีสติกำจัดอวิชชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่ง แล้วก็บอกเวทนาโสเวทนานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินัยยโลเกอพิชชาโทมนาสังพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนาสในโลกเสียได้หนึ่งจิตเตจิตานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินัยยโลเกอพิชชาโทมนาสัง พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัะในโลกเสียได้หนึ่งธรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัตสังพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้หนึ่งอันนี้คืออุเทศใน สติปฐานสูตรหรือในมหาสติปฐานสูตรทีนี้ในการศึกษาในครั้งที่แล้วได้พูดถึงในเรื่องการอนิสงฆ์ที่พระ อ, องค์ทรงตัดเข้าไว้เกี่ยวกับในเรื่องของคาว่าเริ่มตั้งแต่ที่บอกว่าเอกายโนยังพิกเวมะโคบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางอันเอกหรือเป็นทางสายเอกนี่แหละแล้วก็เพื่อความ ตานังวิสุทติยาก็เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเหล่าสัตว์สวกับปริเดวานังสมรติกมายะเพื่อก้าวล่วงความโศกและปริเทวะทุกขโทมานาสานังอถังกมายะเพื่อดับความดับไปแห่งทุกข์และโทมนัตยายาศาสทิกมายะเพื่อบรรลุญายธรรมและกนิพานนาาัสสัจชิกิริยายะเพื่อจะกระทําพระนิพานให้แจ้งโดยสรุปก็คือท่านบอกว่าทางสายเนี้ยกล่าวคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เนี้ย ทางนี้จะเป็นปฏิปรทาเป็นทางที่จะไปทางดําเนินไปสู่ค้นทางแห่งความบริสุทธิ์ของเราสัตว์เพื่อจะพ้นจากความโศกแล้วก็ความล่ำไรําพันธ์เพื่อจะดับไปแห่งทุกขระโทมนัทเพื่อบรรลุยายธรรมยายธรรมในที่นั้นคือบรรลุอริยมรรคเพื่อจะกระทําพระนิพพานให้แจ้งคือพระนิพพานของพระโสดาบันสกท า, าคานาค า, แ ล, าแล้วก็พระลรหันแล้วก็คุณทางนี้ก็คืออะไรคือสติปัฏฐานสีนี่แหละว่างั้นนะ ทีนั้นตรงนี้ก็คือว่าในครั้งที่แล้วก็ได้เชื่อมในคำสอนของพุทธเจ้าที่บอกว่าโดยเฉพาะว่ามากล่าวถึงองคุณเกี่ยวในเรื่องของอาตาปีสัมปชานโนสติมาเนี่ยมีความเพียรมีสัมปชัญญาแล้วก็มีสติ mm hmm. ก็เลยไปเชื่อมโยงในสูตรโดยเฉพาะในสัมมาธิฏฐิสูตรแล้วก็ในมหาจตารีสกัสูตรเป็นต้นคือต้องการให้รู้ว่าในการที่พระบรมศา ส, สดาทรงสแสดง อริมักอันประกอบด้วยองค์แคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิเนี่ยอริมักที่ประกอบไปด้วยองค์8ประการเหล่านี้เป็นปฏิบัติเป็นทางดําเนินที่จะทําให้สัตว์นั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากราคาโทสะโมหะใช่ไหมเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องบอกว่าสัตว์นั้นน่ะไม่บริสุทธิ์เพราะกระแสขันของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในสังสารวัฏ ก็คือขันธาตุอายตนะนี่นะที่มันะหกะเหลืเอิญเป็นไปในพบน้อยแลรรร้วพบใหญ่เนี่ยกระแสของขันธาตุอายตนะเนี่ยมันเต็มและมันหนาแ น, น่นไปได้รบชรัดคือทิฏฐิในครั้งที่แล้วได้พูดถึงในเรื่องของว่าพระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะที่มีเหตุแล้วก็ที่มีองค์ประกอบบอกสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะที่มีเหตุที่มีองค์ประกอบนั้นก็เลยบอกว่าเหตุของสัมมาทิฏฐิและองค์ประกอบของเของของสมาสมาธินะ อพอไปทั้นตั้งสมาสมาธิที่เป็นอริยะเข้าไว้ก็คือสมาสมาธิที่ในอริยผลหรือในอริยมรรคบอกสมาสมาธิที่ในอริยผลหรือในอริยมรรคเนี่ยมีเหตุและมีองค์ประกอบนะเหตุและองค์ประกอบของเขาก็คือสมาธิที่สมาสังกป่าสมาวาจาสมากามันต์ตาสมาชีวะสมมาวิมารสมาสติทั้งเจดประการนี้แหละเป็นเหตุและก็เป็นองค์ประกอบของสมาสมาธิที่เป็นอริยะทีนี้ก็เลยมาบอกอีกบอกว่า และทีนีเน้เบื้องต้นก็คือว่าในบรรดาองค์เจ็ดนั่น ensuite, สัมมาทิฏฐิเป็นประธานนะแล้วก็สัมมาทิฏฐิเป็นประธานแล้วก็เป็นประธานอย่างไรบอกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นประธานก็คือว่ารู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ ر, รู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ر, ความรู้ของเธอนั่นจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิ ر, ใช่ไหมทีนี้ก็เลยไปดูบอกว่าในครั้งที่แล้วตอนนี้พูดในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิ ر, มิจฉาทิฏฐิสิบประการเป็นต้นคือพูดถึงใน จากการที่ว่าเริ่มตั้งแต่นื้ตาไิ่ฉาทิฐีเป็นต้นแล้วก็ไปจนถึงมิฉาทิฐิที่ประกอบไปด้วยสิบประการมีนัตถิทินังนัตถียีถังเป็นต้นเหล่านี้ที่กล่าวถึงในเรื่องของท้าสาวัตถุหรือวัตท้าสาวัตถุกรรมมิฉาทิธยาเน่ยโลกสันนิวาสที่ประกอบไปด้วยมิฉาทิฐีอันมีวัตถุ10บประการในสิประการนั้นก็คือว่ามิฉาทิถีสิบประการก็คือนัตถิทินัง คือมีบุคคลที่มีมิจฉาทิฏฐิบอกทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลนาทียึถังการบวงสวงไม่มีผลนาทิหูตังการบูชาไม่มีผลแล้วก็นาทีสุกกระตา่ายุกตานังกัมมานังพลังวิปากโกบกวิบากผลของกรรมดีกรรมชั่วที่คนทําแล้วบอกไม่มีผลแล้วก็นาทีอายังโลโกว่าโลกนี้ไม่มีโลกนี้ไม่มีนั่นเป็นการปฏิเสธกรรมปฏิเสธสังปฏิเสธอะไรปฏิเสธกรรมในภพอื่น ก็หมายความว่าสังขาระขันใช่ไหมสังขารลโลกเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่มีสังขารละขันมีสัตว์สังขารละสังขารลโลกสัตว์โลกและภาชนะโลกโลกทั้งสามประการในพบอื่นเนี่ยโดยเฉพาะว่าสังขารละขันของสัตว์ในพบอื่นที่สัตว์ในพบอื่นก็คือสัตว์โลกใช่ไหมแล้วก็ภาชนะโลกคือในโลกอื่นว่าในโลกอื่นไม่มีนะสัตว์ในโลกอื่นที่ทากรรมที่จะมาสู่โลกนี่ไม่มีแล้วก็ปฏิเสธการทํากรรมจากโลกนี้ เพอจะยังสัตว์นั้นไปสู่โลกอื่นก็เลยบอกว่าโลกหน้าไม่มีแล้วก็ปฏิเสธว่ามารดาไม่มีคุณกับบีดาไม่มีคุณมารดาไม่มีคุณนี่มันกระทบไปหลายจุดไอ้มารดาไม่มีไม่มีอะมัดนัทธมาเอานัธถิมาตากับนัธถิปีตาเนี่ยบอกมารดาไม่ไม่มีกับบีดาไม่มีเนี่ยคําว่ามารดาไม่มีนั้นหมายถึงการปฏิเสธถึงคุณนี่โดยสรุปเนี่ยนะปฏิเสธถึงคุณบอกว่า นั้นการจะกระทำดีทําชั่วกับผู้ที่เป็นมารดานั้นน่ะไม่มีผลหรอกคือผลที่จะตอบสนองให้เราได้รับสุขและได้รับทุกข์จากการปฏิบัติดีปฏิบั ต, บติชอบต่อมารดาบิดานั้นไม่มีน่าเข้านักเข้าก็เลยไม่เชื่อกรมดีไหมสรุปตรงนี้คือท่านปฏิเสธอะไรปฏิเสธกรรมที่ทําดีทําชั่วกับพ่อและแม่แล้วก็เลยปฏิเสธไปว่าสัตว์อื่นที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ของตอนเองก็ไม่มีใช่ไหม ก็เลยปฏิเสธพุทยานของ ว, วระบรมศสสดาเลยเพราะพระพุทธเจ้ากล่าวไว้เยอะในคำพีสั่งยุทธ์ใช่กล่าวไว้เลยว่าดูกนพิเษุตั้งหลายสัตว์ที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันไปต้นเหล่านี้โดยสรุปว่าถ้าคนที่เชื่อกรรมและผลของกรรมก็จะปฏิบอกว่า ท่านผู้นี้ก็เคยเป็นแม่เรามาท่านผู้นี้ก็เคยเป็นพ่อเรามาเป็นต้นเหล่านี้ก็เลยให้สัตว์เหล่านั้นน่ะถ้ามีความเชื่อมีศรัทธานในพระบรมศ า, ศาสตร์อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเชื่อเมื่อเชื่อแล้วก็จะไม่ปฏิบัติผิดต่อบุคคลอื่นด้วยเพราะเราไม่มั่นใจใช่ไหมคนนี้เกี่ยวข้องเราโดยฐานหลายหลายฐานนะก็ขนาดพ่อแม่ตัวเองในปัจจุบันเราพบยังไม่เห็นแล้วไม่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับคนที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ตัวเองที่ผ่านมาในสังสารวัตรนี่ปฏิเสธคุณ นัตถิสตาโอปปาติกาสัตว์เนี่ยไม่ใช่โอปปาติกาสัตว์อย่างเดียวนะอันนี้เป็นการปฏิเสธอะไรปฏิเสธปฏิสนธิปฏิปฏิเสธปฏิสันธิทุกเป็นจํานวกคือสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งจิตติและปฏิสันธิเนี่ยแต่ในที่นี้ท่านใช้ศัพว่านัตถิสัตาโอปปาติกาเห็นไหมถ้าเราแปลตามพระบาลีเนี่ยจะแปลว่าไงโอปปาติกาสัตว์ยังไม่มีใช่ไหมเนี่ยมันกับินได้แค่นี้นั้นอัตถาจริงๆคืออะไร คือว่าปฏิเสธจุดติปฏิสนธิของสัตว์เลยอยงเงี้ ย, ยอันนี้ต้องให้ชัดเจนตรงนั้นใช่ไหมอันนี้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นเอ๊ะกําเนิดมีเท่าไหร่ใช่ไหมต้องต้องต้องเอาทุกกําเนิดมามาเกี่ยวข้องด้วยการอุบัติเกิดขึ้นทุกกําเนิดอะ่ะจะเป็นสังเวตะชา้าโอเปบาติกาเชลาบุชาหรือขพระเสยอากาศเกิดในครันเกิดในไข่เกิดยังในอย่างเหนียวเกิดในเท่าใครใช่ไหมหรือประเภทเกิดผุดโตขึ้นมีนะสัตว์ประเภทนี้ไม่ใช่ไม่มีแต่พวกนี้ก็ถือว่าไม่มีอย่างเงี้ยนี่คือมิจฉาทิฐิ และประการต่อมาคือนัดทีโลกเกสมณะพรามนาสมักคาสัมมาปฏิปัณนาเ ย, ยมันจารโอกังปรัญจาโลกังสายางอภิน ญ, ญายะสัจจิตวาบรเวทเทนติบอาว่ า, าสมณะพราหมณทั้งหลายเนี่ยพู้ประพฤติดีมีสัมมาปฏิบัติกระทามให้แจ้งแล้วซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยอภิญญารู้ได้โดยตนเองย่อมประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามในโลกไม่มีคือปฏิเสธสัมมาสัมโพธิญาณแต่ในสาบตรงนี้เนี่ยแหละมาหลายสูตรอัตถกถานะมีบางท่านไปอธิบายปนกัน หมายความว่าไปจับมาในยะอัตกาถาเดียวเพราะเอาอัตกถาที่เดียวมาบรรยายเลยไปบรรยายตรงไหนไปแยกสราบว่าส ม, มักคตาสัมมาปฏิปนากับคําว่าเยี่ยมจะโลกังปรันจารโลกังเนี่ยนะนะสยังพิน ญ, ญาญาสัจคตวาประเวณเทนติกใช่ไหมที่จริงตรงนี้อัตกถาท่านแยกเขาไว้แต่ท่านรวมไว้แล้วก็หมายความว่า ย่อมถือว่าสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นผู้ปฏิบัติดีซึ่งปฏิปทานสมควรไม่มีในโลกนี้กลุ่มหนึ่งใช่ไหมและเขามาแยกกลุ่มหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าผู้าาเป็นสัพพัญญูเนี่ยเย่ยมันจะโลกังปาราัญจาา่าโลกังสยังอภินญญาญาสัจจคตวาประเวทณติอีกกลุ่หนึ่งก็บอกว่าย่อมถือว่าพระพุทธเจ้าผู้าาเป็นสัพพัญญูผู้สามารถรู้แจ้งโลกนี้โลกหน้าด้วยปัญญาอันประเสริฐยิ่งได้พระองค์เองแล้วก็ประกาศผู้อื่นรู้ตามไม่มี ก็อธิบายตรงนี้แต่พอแพยกตรงนี้ไม่ใช่ท้าสาวถุงแล้วเป็นสิบเอ็ดทจริงท่านกล่าวรวมไปแล้วกล่าวรวมเพราะบอกพระเจ้าเนี่ยบุคคลอื่นก็เชื่อว่ากล่าวใช่ไหมใครที่มีปฏิปทานสมควรเี่ยรู้แจ้งโลกนี้นะโลกหน้าตามพระพุทธเจ้าก็ได้ใช่ไม่ใช่ก็นับไว้ด้วยพอไปแยกขึ้นมาเดี๋ยวก็จะไปตีความกันไปอีกนะตรงนี้อันนี้คือคือประเด็นแห่งความศึกษาคําสอนต้องเกี่ยวรายละเอียด <c oughs> อย่างนี้ต้องระมัดระวังตัวทีนี้ตรงนี้ก็คือว่าต้องการอยากให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบอันนี้เป็นสสทัศนวัตถุมิจฉาทิฐีนะมีิจฉาปารนี้ถือว่าหนักทีนี้หนักตรงนี้ก็คือว่าต้องไปอยากวันนี้ก็เลยเจะต้องการให้รู้ว่ารู้ชัดว่ามิสมาร์ทิฐิว่าเป็นสมาร์ทิฐิแล้วก็รู้ชัดว่ามิจฉาทิฐีว่าเป็นมิจฉาทิฐิ ความรู้ของเธอนั้นจึงจะเป็นสมาทิที่ใช่ไหมนี่ก็จะได้ตามไปดูในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเหตุผลที่ต้องการตามไปดูมิจฉาทิฏฐิก็คือว่าต้องการอยากให้เราได้ทราบลักษณะรายละเอียดของมิจฉาทิฏฐิถามว่าถ้าเราไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเรามีมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเขาถึงบอกบอกว่าคนที่คนที่มีทิฏฐิแล้วไม่รู้ว่าตนเองมีทิฏฐิเนี่ยอันตรายไหมใช่ไหม พออย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่อย่างลืมตัวเลยใช่ไหมทีนี้ถ้ามีทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิรู้ว่ามีมิจฉาทิฏฐิดีไหมดีไหมจะได้แยกได้ใช่ไหมเอาเอาแา่งนี้ว่าสการามรู้ไหมตอนนี้มีมิจฉาทิฏฐิแล้วดีมหมดีไหมมันต้องรู้ได้รู้เอาอะไรไปรู้ ถ้าเอามิจฉาทิฏฐิไปรู้มิจฉาทิฏฐิการรู้อย่างนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็เป็นการเพิ่มเพิ่มมิจฉาทิฏฐิมันต้องใช้สัมมาทิฏฐิไปรู้มิจฉาทิฏฐิเพื่อจะได้เห็นโทษของมิจฉาทิฏฐิเพื่อจะได้ทําการล่ามิจฉาทิฏฐิใช่ไหมใช่ไหมอย่ารู้อย่าคิดว่ามิจฉาทิฏฐิเขาจะไม่รู้อย่างมิจฉาทิฏฐิเขาเห็นไหมก็เราจะโกรธนะใช่ไหมก็เราพอใจที่จะโกรธใช่ไหม เราพอใจที่จะโลภเงี้ยเราพอใจที่จะหลงเราพอใจที่จะคิดอย่างนี้ใครจะทําไมเราพอใจที่จะไม่เห็นพระพุทธเจ้าเราพอใจที่ไม่ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าเงี้ยอย่างนี้มิจฉาทิฐีใช่ไหมเขารู้ไหมว่าเขาเป็นวิจฉาทิถีพอเขายึดมั่นในทิถีนั้นเขารู้ว่าทิฐีอันนี้ก็เกิดแล้วเขายึดมั่นความทิถีของเขาทีนี้ในรายละเอียดเหลือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะก็พยายามจะเล่งเล่งหน่อย เพราะจริงๆการเก็บรายละเอียดมิจฉาทิถีคือคืออย่างนี้นะถ้าศึกษามิจฉาทิถีเนี่ยจะกินความไปจนถึงว่าจะได้เข้าใจเรื่องวิปัสนาแต่ก็พยายามจะนำเสนอนะว่าความสามารถผู้แสดงน้อยก็จะพยายามเต็มที่ใช่ไหมเพราะว่า จะพยายามนาเสนอและความสามารถพวกเราเก็พยายามรับให้เต็มที่ก็แล้วกันอาตมาแสดงได้ห0าสิบเราก็แสดงให้ให้รับไปได้ 80% ดสเปอร์เ็นนีอแ่ก็ปลว่าสามารถคิดได้กว้างขวางกว่าอาตมาอย่างนี้อาตมาก็ชื่นใจแต่ถ้ามาแสดง 50% เอรารับได้สนี่ไม่โอ้โอาตมายุ่งเลยเนี่ยนะถือว่าไม่ประสบความสาเร็จใช่พเพราะอาตมาจะเล่งได้แค่นี้แต่พวกเราก็พยายามเพิ่มใช่ พยายามเพิ่มไม่ได้ถ้าหามสามารถถึง100ร้อยเอร์ซ็บรรลุมรคผลนได้หัวหน้าโมทนาเลยเใช่หมหัวหน้าโมเดนาเลยเตรงนั้นก็ก็รลดเบุญใช่ไหมผู้ที่นั่งอยู่นะที่นี้เราไม่ทราบว่าใครบุญมากบุญน้อยใช่ไหมไม่ทราบแต่เดินมาคำนวณตัวเองออกพอคำนวณตัวเองออกบ้างนะเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะ <c oughs> ฉะนั้นตรงนี้ก็คือ <c oughs> จะกล่าวเกี่ยวเรื่องของมิจฉาทิฏฐิในพรมะมัาฌลสูตรแล้วก็จะไปเทียบเทียงใน ในทิธีิคถาในปฏิสมัมพิามักแล้วก็จะดึงมาในวิสุทธิมักบ้างนะในบางส่วนที่ท่านกล่าวว่าพิงไปถึงแล้วก็ในอัตถกถาในเอกนิบาตนะอังคุตระนิการเอกนิบาตเป็นต้น ก็จะไปอื้อในมัชฌิมกายมูลปานาฏเนี่ยจะพยายามรวบรวมวิจาทิฏฐิเท่าที่จําได้บ้างจําไม่ได้บ้างเนี่ยนะอันไหนจํามาก็จะเก็บเก็บมาก็จะพยายามอธิบายและให้เราเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจแล้วจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่จะไปศึกษาไปอ่านพระไตรปิฎกต่อไปได้โอสบายใจอ่อมาไม่ต้องมานั่งบรรยายบ่อยใช่ไหมต่อไปต่อมาก็เป็นผู้ถามถ้าสงสัยอะไรก็ยกหูโทรศัพท์ถามเนีช่วยอธิบายอาณาจัฟังหน่อยออย่างเงี้ย ทํำมาสบายใจเลยจริงๆ น, น, น, ะ, น ะ, ะ, ะจริงๆเพราะตรงต่อไปต้องช่วยกันเยอะมากทีนี้ในพรหมชาลาสูตรเนี่ยพุทธเจ้ากล่าวเกี่ยวกัเรื่องของของทิฏฐิหกสิบสองก็ว่าในในในในพรหมชาลาสูตรเนี่ยเนีะเขาพุทธเจ้ากล่าวเขาไว้เกี่ยวในเรื่องของในพรหมชาลาสูตรเนี่ยคําพรหมชาลาสูตรที่คือท้านน น, น่ะ น, นะ พระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงคุณค่าความสําคัญของพระมรชาญสูตรบอกว่าในสูตรนี้ธรรมมาแสดงไปจบไปสองครั้งแต่ก็จบเหมือนไม่จบดูใหม่ก็เหมือนไม่ได้เก็บรายละเอียดอยู่เรื่อยเนี่ยนะผูทุกชนเนี่ยแสดงเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาแสดงเนี่ยไม่เก็บรายละเอียดไม่ได้เลยเนี่ยมารู้จักตัวเองขึ้นมากขึ้นเลยเนะี่ทีแรกโอ้โหเราคิด ว, ว่าเก็บรายละเอียดได้ได้ควบคุมนะเนี่มาดูใหม่เอา้าหล่นอีกแล้วนี่ยนะงั้นอยแปลกใจบางทีธรรมามาพูดําแล้วท ำ, ำอีกเนี่ยนะมาแสดงว่าอะไรรู้ไหม แสดงครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีจุดบกพร่องมากนี่เลยคือพลุชนนะขณาดพระญาติอย่างระดับพระอาหารหันต์ธรรมดาใช่ไหมพระอาหารหันต์โดยทั่วๆไปยังเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาแสดงได้ไม่ทุไม่ควบคุมเลยปลุกเก่าไปญาติอย่างเราท่านทั้งหลายงั้นหลุดเป็นส่วนใหญ่อย่าแปลกใจนะอย่าไปแปลกใจถ้าหากแสดงได้ครบถ้วนเนี่ยอามาแปลกใจตัวเอง <laughs> เนะก็เป็นไปได้ยังไงใช่ไหม <laughs> นี่ถือเป็นเรื่องผิดปกติแล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้ นันตรงนั้นอย่าอย่าแปลงงั้นพยายามเก็บรายละเอียดแล้วก็อีกอย่างก็คือพยายามอยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ประโยชน์ที่มากาที่สุดเท่าที่จะมากได้นะจากสาระนี่นะเจอทิศทีเนี่ยในทิศทีหกสิบสองเนี่ยท่านออมาเหมือนกระประดุดดังข่ายขายในที่นั้นก็เหมือนกับชาระชาระแปลว่าข่ายที่ปกคลุมยึดถือให้สัตว์นั้นไม่พ้นไปจากสังสารวัตก็แปลว่าอะไรคําว่าสังสารวัตรนี่เป็นชื่อของขันทาศยตนาใช่ไหม ที่เกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายไอ้นี่ตัวนี้คือตัวสังสาระสังสารวัตขันธ์ธาตุอายตนะที่มันไม่เงยหัวออกจากศรีรษะของวัตตาไม่สามารถจะออกจากตัณหาออกจากอาวิชชาเป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าวัตตาศรีรษามีสองใช่ไหมมีมีอวิชชากับตัณหาโดยเฉพาะอวิชชาเนี่ยเป็นวัตตาศรีรษะเลยเป็นหัวรือใหญ่เลยเนี่ยฉะนั้นขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยไม่สามารถจะเงยออกจากค้นจากศรีรษะ โดยเฉพาะอสีสาววตาเนี่ยวาตาสีสาวเนี่ยไม่สามารถที่จะเงยออกจากอวิชาเป็นต้นได้นั่นแหละเพราะมีอะไรปกคลุมอยู่เพราะมีทิถีนี่แหละไอตัวทิถีนี่แหละปกคลุมกระแสะขันธาตุอายตนาของสัตว์ไว้คายคือทิถีนี่แหละปกคลุมสัตว์ไว้ในหลายแสนกฎจักรวาลสัตว์ไม่ว่าพบใดภูมิใดจักรวาลใดก็แล้วแต่นี่นะที่ยังเป็นปูุ่ชนอยู่ทั้งหมด เชื่อว่าข่ายคือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยปกคุมไว้เรียบร้อยหทีนี้ข่ายคือทิฏฐิเนี่ยปกคุมกระแสขันของกระแสขันาธาตุยตนะของสัตว์ทั้งหลายไว้อย่างทั่วถึงกันหมดทีนี้ไม่มีใครสามารถที่จะมาเปื้องข่ายหรือกระดึงข่ายเนี่ยออกจากกระแสขันาธาตุยตนะของสัตว์ได้แต่ด้วยอาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาที่สั่งสมบารมีมาเนี่ยนะ ยี่สประสงค์ขยิ่งด้วยแสนกลับบ้างสี่สิบบ้างแปดสิสงคขายยิ่งด้วยแสนมหากลับเป็นต้นบ้างด้วยผ้ามหากรุณาที่คุณของเราสัมมาสัมพุท ธ, ธาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นนมาตัดสรุนุตตะลสัมมาสัมโพธิญาณท่านมีสัพพัญญุตยานฉะนั้นสัพพัญญุตยานของพระ อ, องค์ท่านเนี่ยครอบคุมไข่คือมิจฉาทิฐิของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นในสากรจาจารวาล ทั้งสิ้นเลยทั้งแสนโกดจักรวาลฉะนั้นสามารถกระชากขายคือมิจฉาทิถีออกจากกรรมสันดานของเราสัตว์ได้นี่ฉะนั้นโดยเฉพาะก็คือว่าขายคือมิจฉาทิถีเนี่ยทุกวันเนี่ยเราลกชัดเต็มไปหมดแล้วด้วยมิจฉาทิธีทีนี้การที่เราจะสามารถกระชากออกได้หรือไม่นั้นน่ะเราก็ต้องถึงพระพุทธมีพราเจ้าว่าเป็นสาระอย่างมั่นคง ถ้าเรามีสัตทินรียในพระบรมศ า, ศาสดาต่ำอย่าหวังเลยทําไมพระโสดาบันจึงมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามั่นคงเข้าใจไหยนะเขาใจไห ม, นะ เ, ไหมเพราะท่านกระชากมิจฉาทิถีออกได้มิจฉาทิถีออกแล้วเนี่ยตัวสัตทินรียก็ห่องใสดันดีเลยเนี่นจะมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นให้สังเกตไหมในฐานาฐานายาณข้อนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระโสดาบันนั้นจะมีศาสดาอื่นเป็นเจริญนะใช่ไหมนั่นคืออะไร เคือขายคือทิฏฐีถูกกระชากโดยด้วยสรรพยุติยานแล้วอย่างเรานั้นยังกระชากออกไม่ได้มาไม่แปลกใจนะเสา็จฟังทำวันนี้กลับไปไปนั่งสงสัยหมายถึงสงสัยคำพูดของอาตมานี่นะไม่แปลกใจหรือไปสงสัยคำพูดของพุทธเจ้าเนี่ยอย่าแปลกใจเพราะมิจฉาทิฏฐินี่แหละมันชวนให้เราทําให้ติดข้องแล้ะรกระชากให้หลุดจากประมวลรสันดานไม่ได้เพราะเราศรัทธาในพุทธเจ้าต่ําไป่มาไม่ใช่น้อยไม่ได้ใช้ต่ำดิว่าใช่ไหม คืศรัทธาไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่พัฒนาตัวขึ้นมางั้นถ้าศรัทธาสูงสูงเนี่ยป่านนี้เราดึงออกไปแล้วไม่ต้องมานั่งเรียนด้วยนะอันนี้ของเก่าไหมเนี่ยมาเรียนใหม่ไหมมาเรียนใหม่ถ้ า, าดึงทิศถออกไม่ได้ต้องกลับไปเรียนใหม่ใช่ไหมต้องไปเรียนใหม่เพื่อเผื่จะไม่ได้เรียนนะบางทีเข้าใจไหใช่ไม่ใช่เพื่อเผอจะไม่ได้เรียนเนี่ยงั้นของเก่าทั้งนั้นที่เรามานั่งเรียนใหม่ถูกทักบถมโดยภพชาติ ด้วยการที่เราหลุดพ้นไม่ได้ก็ต้องมานั่งเรียนต้องนั่งลําบากกันต่อไปทีนี้จากนั้นทิฏฐิเหล่านั้นเป็นการทิฏฐิเหล่านั้นเน่ะควบคุมเนะี่ยในบรรดาทิฏฐิหกสิบสองเป็นต้นเหล่าเนี้ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสรุปผลของการยึดถือทิฏฐิเรื่องของอัตตาแล้วก็เรื่องโลกอ่ะหกสิบสองทิฏฐิเหล่านั้นไว้ ทีนี้ทําไมถึงบอกว่าจริงๆอาตมาก็นั่งนับแต่ก่อนเนี่ยนับไปนับมามันก็เกินนับไปนับมาก็เกินเพราะเมื่ออาตมารู้สึกทกใจมากนับวิชาทีทีแล้วเกินหกสิบสองอ่ะแล้วพ่อเจ้าตรัดว่าหกสิบสองใช่ไหมมาไปนั่งคิดหมูเป็นสรุปแทบแย่เพราหตุได้ได้เหตุผลแล้วแต่ยังไม่บอกหรอกให้พวกเราอึดอัดใจให้ให้นับเพราะนับไปนับมาเกิน น้ำหมายน้ำหมาก็เกินอยู่เลย่อยอยู่ทีนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมณพราม์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยถูกมิจฉาทิถีหกสิบสองเหล่าเนี้เป็นดุดดั ง, ดงตาข่ายปกคุมก็ไว้ตกอยู่ในตาข่ายนี้เมื่อจะโผล่ก็โผล่อยู่ในตาข่ายนี้แหละใช่ไหมดำไปมันก็ติดยู่ไหมโผล่ก็ติดอย่งเงี้ยโผล่ก็ติดอย่งเงี้ยโผก็ติดอย่งเงี้ยออกไม่ได้ทุกวันนี้เราวิ่งกันนี่ทลานไปหมดเนี่ย มันออกไม่ได้เพราะตะข่ายคือมิจฉาทิฏฐิมันคุมไม่หมดเลยแล้วจะทำไงนีไ่ไหมนี่ก็แล้วก็เราติดแล้วตอนนี้ติดแล้วนี่ปัญหาก็คือว่าตะข่ายนั้นจะติดระดับไหนถ้าไปเจอข่ายคือนิยตามิจฉาทิฏฐิจบแล้งานเนี้ทศพันยุตยานี่ไหมคือสัพันยุตยา น, นะบอกอยังไงไม่เชื่อแล้ว ถประเภทนีย้ยตามิจฉาทิฏฐิเพราะเขายินดีซะแล้วใช่ไหมแล้วมันมีตะข่ายหลายชั้นกันนะชั้นสักกายทิฏฐิใช่ไหมชั้นอุเฉตทิฏฐิชั้นสัจสตาทิฏฐิใช่ไหมสูงก็ไปอย่างสูงสุดกับ น, นิยตามิจฉาทิฏฐิอะตอนนี้ใครอยู่ตะข่ายไหนคุมอยู่ เอาแค่นั้นพอนะอย่าให้พัฒนาไปมากกว่านี้นะแต่พัฒนามากไปก่นี้แล้วอามาไม่นั่งคุยด้วยนะเพราะเขามีอยู่ข้อนึงนะห้ามเสพห้ามสมาคมกับคนมิจฉาทิฐิใช่ไหมเดี๋ยวอามาจะไล่ให้ดูว่าโอ้โหเขาให้ห้ามนั่งใกล้ด้วยห้ามไปนั่งไกล้ด้วยใช่ไหม นี่ต่อไปยอมบอกว่าไปถามพ่อจะไปคุยอะไรถามหน่อยคุณเป็นนืยอตาญี่ปุ่นีงใช่ไหมบอกไม่ ก, ก, ก็ไปถามก็คุณเห็นแบบนี้ไหมมันมีเหตุปจัจจัยไหมถามที่ถ้าเขาปฏฐฐฐิเสธเหตุนียวชับยุงแล้วเอปฏิเสธแบบหนานแน่นเลยเปล่าเนียวบอกถ่าหนานแน่นก็โอนกันตายก่อนแล้วใช่้หมพราะอย่างนี้ไม่ได้เลยปฏิเสธเดีด๋ยวจะติดเลย เขาจะดึงเขจะดึงเราไปติฏฐิในทิฏฐิเหล่านั้นเป็นการคาดคะเนสัจจากความจริงโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอก็มีนะกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มคาดคะเนกลุ่มคิดนี่ก็มีนะฉะนั้นกลุ่มหนึ่งทัศนคของทิฐิประเภทเกย์ก็มีทัศนคต่ําไม่นําไปสู่ปัญญาพวกวิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขามีทัศนะที่ต่ํามากไม่สามารถที่จะนําไปสู่ปัญญาและก็วิปัสสนาปัญญาเป็นต้นนะคือระดับสมาธิฏฐิเริ่มตั้งแต่กรรมสักตาสมาธิฏฐิเนี่ย วิปสัสนาสมาธิทีชานาสมาธิทีมรรสมาธิทีผลสมาธิปัจุเอ็กสมาธิเนี่ยตัววิชาธิทีทั้งหลายเนี่ยเขามีทัศน์ต่ำเขาไม่นําไปสู่ปัญญาเหล่านี้น่ากลัวมากให้สังเกตดูไหมว่าพวกวิชาธิทีทั้งหลายเนี่ยไม่ปรารถนายอยู่ข้อนในประรานของเขาเนี่ยไม่ปรารถนาเห็นภริยะเหามั้ยประรานของเขาเลยไม่ปรารถนาเห็นภริยะ คำว่าไม่ปราถนาเห็นกินความไม่ถึงว่าไม่ปราถนาฟังทำท่านด้วยไม่ใช่เอาตามพยัญชนะว่าไม่เห็นอย่างเดียวนะเขายากว่าไม่ปราถนานที่จะฟังทำด้วยพราะไปฟังแล้วเป็นยังไงอะไปฟังแล้วก็เหมือนกระตูกน้ำมันรถเนียคนผีเข้าแล้วก็น้ำมันรถเนี่ยก็เห็นไหมพอรถละชักไหมชักเลยตรงนี้ฟังประจํ า, าไม่ได้ดิ้นกับซากรายแล ย, ลยแล้วพูดพูดทําให้ฟังนั้นไม่ได้ก็เดือดร้อนเขาทุกข์ใจมาก เคยเป็นไหมครับพอฟังธรรมะนานๆออกไปกินอาหารโล่งใจรู้สึกชื่นใจเหลือเกินแล้วอยู่ในห้องฟังธรรมะรู้ึอึดอัดเนี่ยเคยเป็นไหมพอออกจากห้องฟังธรรมะแล้วรู้สึกชื่นใจเหลือเกินพอพ่อยังชั่วแม่หยุดเทศตั้งนานเมื่อไหร่จะหยุดพูดตะกีก็ไม่รู้อย่าเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเคยเป็นบ้างไหมมีอะไมาได้แอบได้ยินเนี่ย ก็บอกโอ้ห oh, วันนี้ฟังนานเลยพวกก็ <laughs> <laughs> ช่วยเดี๋ยวหยุด <laughs> มันอึดอัดคนมีมิจฉาทิฏฐิและทิฏฐิเหล่านั้นไม่นําไปสู่ความหลุดพ้นจากชาติทุกชะลาทุกก็หมายความว่าไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากเนี่ยมิจฉาทิฏฐิก็สว่วนรีสผลนั่นแหะไม่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็เขาเขากันกันไว้ไม่ไม่บรรลุไม่บรรลุฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่านอานุ์เธอจงจํา พระธมเทศนาคือจงจำเรื่องมิจฉาทิถีเขา้าวะแล้วจะได้ไปบอกกล่าวใช่ไหมเพราะว่าถ้าสัตว์ไม่รู้มิจฉาทิถีแล้วเนี่ยจะพ้นจากมิจฉาทิถีไม่ได้ใช่ไหมเอาไม่ถ้าไม่รู้จักมิจฉาทิถีแล้วจะเป็นสมาธิถีไห ม, ไมนั่นแหละเขาว่าให้จับให้รู้ว่าตอนเนี้ยเพราะอย่างนั้นเน่ยสมมติถ้าเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องมิจฉาทิถีจะไปเจริญวิปัสสนาได้ทำไง มิจฉาทิฏฐิเป็นธรรมชาติที่คล้ายปัญญาเอาแล้วสิเดี๋ยวนี้เอาแล้ ว, เ, เ, ลวเข้าใจยัมยุทธเข้าใจไหเที่หามาเขาเข้าใจใช่มไหมเนี่ยตรงเนี้ยสาคัญมากเพราะว่าท่านถึงบอกว่าเธอจงจําธรรมเทศนานี้บอกว่าเป็นอัฏฐาชาล่เป็นธรรมชาล่าเป็นพรหมชาระเป็นทิฏฐิชาล่าแล้วก็เป็นพิชัยสงฆามันยอดเยี่ยม <c oughs> แล้วว่าจะถ้าจะไปชนะจะวางแผนลบกิเลต้องรู้จักทิฏฐิ ต้องรู้จักพรหมมชาระสู่ท่านว่าไงเอาเวลานักรบเขาต้องวางแผนไหมแล้วก็นักไการจะไปเจริญวิปัสนาแไปว่าจะไปรบกับใครเราไม่ไม่เคยวางแผนเลย <c oughs> ใครใครยกหูโทรศัพท์วพชวนไปปฏิบัติกันเธอไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อุ้ยนำมารู้สึกง่ายเกินไม่ยอมวางแผนกันเลยอ่ะใช่ไหมไม่วางแผนเลยแต่บางทคนก็ตำเหนีะ ตรงนี้มีแต่นั่งวางแผนน่นยังไม่ออกลบสติมายังนึกโอ้โหวางแผนหลายปียัง <c oughs> <c oughs> มีมี อ, อ, อมีพระอยู่ชุดหนึง่งมาก็แนะนำแนะนำคำสอนในพระใจพิ đ ก็แนะนำเสร็จโ อ, อ้ท่านพอท่านมีความ ร, รู้เสร็จใช่ไหมท่านก็เป็นลาพิถีละที่ปกคองดูแลเนี่ย พระเตระเขาเหยียไพเล ย, เลย่อยๆดังๆนะเนี่ยนะท่านบอกว่าออืมไม่ได้หรอกรู้แผนการลบแล้วรู้สึกคึกก็อยากจะออกลบมายัางไงขอไปออกลบสักพักเเฮข้าใจพคนพูดอย่างเงี้ยพระเตระก็เลยไม่ห้ามได้ <S <S บอกวางั้นไปเลยหรอกเอาพูดเราจริงๆนะถ้าถ้ารู้แล้วเนี่ยนะรู้สึกว่าอยากจะอยากจะไปไข่คนเต็มที่สุดอยากจะหลีกเลๆๆน่นเลย่ะนี่นี่เป็นธรรมชาติเลย ถ้ารู้แล้วหลายคนอยากอยากหลีกเล่นแต่ถ้าไม่รู้อะไรเลยนะอยากหลีกเล่นเนยะอันนี้เขาเรียกว่าความอยากมากกว่าปัญญาเนี่ยต้องระวังไว้ให้ให้ให้ศรัทธาเกิดจริงๆแล้วต้องดูองค์ธรรมของศรัทธาใชัดใช่ไหมมีศรัทธาแท้กับศรัทธาเทียมศรัทธาแท้องค์ธรรมได้แก่ศรัทธาเยสิกะ ม, มีพระรัตนตรัยที่มั่นคงเมืองสงแต่ศรัทธาเทียมได้แก่มิจฉาที่โมไม่มิจฉาที่โม อันนี้ตั้งมั่นในวัตถุที่ผิดพลาดไปตั้งมั่นไว้ในกต้องคือเรียนคำสอนก็เรียนเข้าใจผิดอันนี้มีจาาทิโมกอันนี้ก็ต้องต้องระวังอัฏฐาชาระในสมังคะระเวลาศินีอัตถกถาอัตถกาถาต้องทีขณิกายเนี่นะพระพุทธโคส า, าจารย์ท่านอธิบายพระสูตรนี้ไว้บอกว่าอัตฐาชาระคายคือคายคือแห่งประโยชน์คือพระพุองค์เนี่ยตรัธรำมเทศนาต่างๆเพื่อประโยชน์นะประโยชน์ในโลกนี้แล้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์ตอนแล้ประโยชน์ชนผู้อื่นเป็นต้นเหล่านี้ด้วย ธรรมชาลัก็คือว่าขายอย่างพระธรรมพระบรมศาสดาแสดงธรรมเป็นแบบแผนแบบอย่างที่กว้างขวางเป็นอันมากเป็นธรรมชาลัเนี่ยกว้างขวางมากพระมชารั์ขายอันประเสริฐเพราะองค์ทรงแสดงด้วยอะไรถามว่าพระธรรมทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าใช้ใช้จิตดวงไหนแสดงมหากริยาญาณอสัมภิยศนะอสังขาลิกด้วยฉะนั้นแสดงด้วยด้วยสัพพัญญุตยาน ฉะนั <beep. S 2> ้นถ้าเรียว่าพรหมชาลนะขายคือขายอันประเสริฐฉะนั้นพระบรมศาสดาเวลาจัดแสดงธรรมเราท่านทั้งหลายเราจะได้สงวนระวังวิธีการศึกษาพระธรรมของพระบรมศาสดาว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ตรัสพระธรรมเทศนาโดยโดยประเภทจิตแบบวิประยุทธ์ใช่ไหมไม่ได้ตรัสแบบอาสังคาริกแต่ตรัสแบบอาสังขาริกนะเพราะว่าพระธรรมเทศนานั้นพระองค์เน่ย ใม่ไหมตัสรู้เองเป็นอสังขารีกและเป็นสัพพัญยุตยานฉะนั้นทุกอัดทกพยันชนะที่ทรงตรัสนั้นน่ะตรัสด้วยมหากริยาญาณสัมยุญที่เป็นสัพพัญยุตยานท่านจึงเรียกว่าพรหมชาลาทั้งหมดตรัสในพรหมชาลาสูตรก็ไว้น่ะบอกว่าพระธรรมที่ตรัสนั้นตรัสโดยสัพพัญยุตยานนะ ท่านทั้งหลายที่จะศึกษาพระธรรมที่ได้สังวรระวังว่าใช่ไหมภาชนะที่จะใส่ต้องเป็นต้องเป็นทองคำใช่ไหมต้องเป็นภ า, าชนะทองคำอย่าฟังธทำด้วยมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าอย่าอย่ามาเกี่ยวกับอาตมานะหมายความว่าพระธรรมนั้นน่ะถึงแม้จะผ่านที่อาตมาพูดไปก็แล้วแต่แต่พระธรรมนั้นเป็นของพระบรมศาสดาไม่ใช่ของอาตมาใช่ไหมแยกให้ออก ถอยาให้ออกตรงนี้จะได้สบายใจกงอาจมาเลยทั้งผู้ฟังเลยใช่ไม่ใช่ใช mm hmm. เพราะว่าอาตมาก็ต้องกล่าวส่วนที่ผิดอาตมารับผิดชอบคือต้องตกนรกเองท้าสําถ้าดังนั้นคนอื่นจะมาตกแทนอาตมาไม่ได้เพราะอาตมากล่าวผิดเนี่ยใช่ไม่ใช่เออนั่นแหละอาตมาก็เสี่ยงดันั้นจะพูดอะไรอาตมาต้องอิงคําสอนเขาไว้ใช่ไหม <c oughs> ถ้าผิดก็ผิดตามพระทัยพรโดกกันวันสบายใจใช่ไหมใช่เพราะอาตมาก็ต้องป้องกันตัวเองเข้าไว้ ใช่ไหมยช่ถ้าทําไม่ป้องกันนั่นเองได้ไงไม่ใช่พระธรรมของเรานี่เป็นพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาต้องเพื้องตนไหมต้องเพื้องตนออกใช่ไหมพระนนยังเพื้องตนเลยพระอรหันต์ต้องยังเพื่องตนเนี่ยใช่ไหมเราจะมาเป็นใครใช่ไหมก็ต้องประมาณตนการมาก็ต้องประมาณตนใี่ถูกว่าตนคือใครเนี่ยนะก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ตนแบบนิจจาที่ตีนะอมาก็พยายามเข้าใจต้งนะ ฉะนั้นพระมัชชาราขายอันประเสริฐพระบระมาศ า, าสดาผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นนั้นน่ะท่านตรัสด้วยขายอันประเสริฐคือสัพพัญญุตยานของท่านเราท่านทั้งหลายก็มนัิการพระธรรมนนั่นให้ให้ลึกซึ้งให้เข้าใจว่าอัฏฐะและพยัญชนะที่พระบระมาศา ส, า, าสดาตรัสไว้ในดีแล้วมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดใช่ไหมบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแต่เราท่านทั้งหลายเข้าไม่ถึงดังหากฉะนั้นะจะโทษ ก็โทษขันธ์ธาตุอายตนะของเราที่อบรมมาไม่ดีไม่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาใช่ไหมไม่เห็นธรรมไม่ฉลาดในธรรมของปริยะปฏิบัติผิดไม่ปฏิบัติชอบเนี่ยฉะนั้นเราก็เรากขลาดตรงเนี้ยนะต้องเข้าใจตรงนี้นให้ชัดนั้นถ้าเข้าใจไม่ชัดขึ้นมาเดี๋ยวก็มาติดขัดกันอยู่เงี่ยนะตอนนี้พราางนี้ไม่ติดขัดแล้วนะฮะไม่ติดขัดแล้วก็ไปดูทิฏฐิชาละทิฏฐิชาละนี่แหละ ที่พรหมชาระของพระบรมศาสดาจึงต้องนำเอาทิฐิชาระไข่คือทิฐีนี่แหละพระองค์มีสัพพัญยุตยานใช่ไหมพระองค์ก็ใช้สัพพัญยุตยานของพระบรมศาสดาแจ ก, กมิจฉาทิฐิคือประมวลกระแสะขันท่าไดยตนะของสัตว์ทั้งหลายในส า, ากุลจักรวาลน่ยในแสนกจักรากวาลทั้งสิ้นและที่ทั้งในในพรหมโลกเทวโลกเป็นต้นเหล่านี้ด้วยประมวลบรรดามิจฉาทิฐีทั้งหลายนะ่ะมาจำแนกแจ ก, กลงเป็น ทิถีหกสิบสองนี่สพันยุทธายานหยิบเอาเนี่ยที่มันเกิดในกระแสขันของเราท่านทั้งหลายเนี่ยสพันยุทธายานหยิบเข้ามาจำแนกแจกออกเป็นมิจฉาทิถีหกสิบสองเลยว่า น, นี่ไงมิจฉาทิถีมีอย่างเงี้ยหกสิบสองเนี่ยถ้าไม่ใช่สัพันยุทธายานจำแนกแจกแจกงไม่ได้ต้องระดับสบพันยุทธายานของแต่ถาคตและสพันยุทธายานเนี่ยต้องบ่มเพาะมาอย่างยาวไกลด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเหม่มานั่งอย่างเรานี่อุกเสนประเสริฐแล้ว ฉันประเสริฐก็คือได้อาศัยพระบรมศาสดาได้มาใาส่ผ้าหมากรุณาที่คุณของท่านใช่ไหมต้องต้องสํานึกตนมากมากเลยนะตรงเนี้ยนะถ้าเราไม่มีท่านไม่มีพระบรมศาสดาเราจะรู้จกักหกสิบสองไมไม่รู้เลยวิชาทิฏฐิเป็นอย่างนี้ขนาดพระองค์แจกมาแล้วเรายังท่องไม่ได้เลยจะมาเอาแค่จํายังจําไม่ได้เลยเนี่ยใช่ไหมใช่อังนั้นคนที่จําพระธรรมโดยเข้าใจเนี่ยขอให้ท่านจํำด้วยสัมมาทิฏฐินะ ถ้าจำได้มิฉาที่ถีก็เป็นโทษดีขอให้ท่านจำได้มสัมมาทิฏฐิเน่ยท่านจะเกิดบุญขนาดไหนใช่ไหมเพราะท่านบอกโอ้โหนี่ทรัพย์ของพระเจ้าซื้องประทานไว้กว่าที่พระ อ, องค์จะค้นทรัพย์เหล่านี้ได้พระ อ, องค์ต้องบ่มเพราะบารมีมาเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสขนาดไหนเดินทางที่ยาวไกลามากเนี่ยท่านเห็นคุณค่าตรงเนี้ยท่านก็ฟังธรรมท่านก็รับเอาพระธรรมใช่ไหมท่านเลยกลายเป็นสุตตทโรเลยผู้ทรงผู้ทรงพระธรรมเลยใช่ไหม ผู้มั่นคงในสุตตะเลยข่ายแห่งทิฏฐีเพราะสงแจกแจงทิฏฐีหกสิบสอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นพิชัยสงครามมันยอดเยี่ยมเพราะใครๆฟังพระธรรมเทศนานี้แล้วเนี่ยสามารถจะย่ำยีทเทวปุตมานก็ได้สามารถจะย่ำยีขันธมานก็ได้สามารถจะย่ำ ย, กาา ย, ยีกิเลสมานเปต้นก็ได้สามารถที่จะย่ำยีมัจจุมานมานคือความตายก็ได้สามารถจะย่ำยีเกี่ยวในเรื่องของกิเลสมานมัจจุมานขันธมานทเทวปุตมาน แล้วก็อภิสังขารลมารใช่ไหมฉะนั้นมานต่างๆเหล่าเนี้ยเหตุผลที่เรายังไม่กล้าย่ํายียยกับเขาเพราะเรายัางไม่ฉลาดในพระธรรมของพระบรมศาสดามีพระธรรมชาเราสวดเรื่อต้ น, น, น, นจนถึงสติปัฏฐานสวดอย่างนี้ยนะถ้าเรายังไม่ไม่ฉลาดในคําสอนที่พรุทธเจ้าเอางี้เราไม่มีอาวุธใดๆเลยใช่ไหมในการที่จะต่อกกับกิเลสใช่ไหม ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยฉะนั้นโดยํานวนก็คือว่าเราจะละกิเลสอย่างไรถ้าเรายังไม่มีคําสอนของพระบรมศา ส, สดาในกระแสใจเลยนะตรงนี้นที่พระพุทธเจ้าประกาศสัรพยุติยานอันลึกซึ้งถึงที่ตั้งถึงที่ตั้งของลายก็ถึงที่ตั้งของทิฏฐิอันใครๆไม่พึงรู้จักได้จากปัญญาชนของคนเราอื่นไม่สา ม, มารถที่จะรู้จักมิจาทิฏฐิเลย แต่ก็าอาศัยสัพพัญญุตยานของพระบรมศาสดานี่แหละที่สามารถคือคนอื่นนั้นไม่สามารถจะรู้ทั่วถึงเหตุที่มาของทิฏฐิเหล่านั้นได้แต่สัพพัญญุตยานของพระบรมศาสดานั้นสามารถจะรู้และเข้าใจเหตุและที่ตั้งของมิจฉาทิฏฐิต่างๆเหล่านั้นได้แล้วก็ทรงกําจัดความมืดมนอนาการความมืดมนอันใหญ่โตกล่าวคือทิฏฐิเหล่านั้นดุดดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นกําจัดความมืดเช่นนั้นว่างั้น ฉะนั้นตรงนี้นะถ้าไปพิจารณาอย่างนี้ก็คือในบรรดารัตทิครูทั้งหกเนี่ยเป็นบรรดาพวกแจกแจงมิจฉาทิฐิอย่างใหญ่โตเลยตั้งแต่รัตทิของปุรณกัสปามัคคีโคสาลอชิตาเกสกัมพลปกุทากจายนะนิ่คนนาตบุตรแล้วก็สันชัยวเวราทบุตรรัตทิของปุรณกัสป่าเขาเห็นบอกว่าการกระทำสักตวธรรมนั้นเลยพวกเนี้ยพวกนี้นะเขาเรียกสักตวธรรม รัติสักเตว่าเห็นสักเตว่าเห็นเนี่ยทําสักเตว่าทำเนี่ยรัติรัติปุรณกสปะรัติสักเตว่าก็ว่างั้นสักเตว่าทาดีก็สักเตว่าทําชั่วก็สักเตว่าทาไม่เรียกว่าบุญไม่เรียกว่าบาปรัติสักเตว่าเคยได้ยินไหมรัติสักเตว่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้บางทีเราก็ไปว่าว่าลูกเราใช่ไหมล้างจานสักเตว่าล้างจริงๆเนี่ยถูสักเตว่าถูใช่ไหม พูดสัพท์แต่ว่าพูดทำศัพท์ต่ว่าทำนี่ละทเนี้ยละทีศัพต่ว่าก็หมายความว่าไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปคือทําดีทําชั่วไม่เรียกว่าบุญไม่เรียกว่าบาปคือละทีนี้เขาลึกซึ้งนะเขาเห็นในความเป็นธาตุนะละทีเนี้ยเขาถือว่าไม่เรียกบุญไม่เรียกบาปแล้วก็จะทําอะไรก็ไม่เรียกบุญไม่เรียกบาปอัตกระถาก็จัดเป็นอัคตริยะทิ่ติเนี่ยเป็นอัคตริยะทิ่ติ เห็นว่าไม่เป็นไม่เรียกว่าการกระทําบุญหรือบาป ท, ที่เกิดขึ้นน่ยไม่เรียกว่าเป็นการกระทำสองรัตทีมคคาริโคสาละพุทธเจ้าบอกโอ้ลหรัตทีนี้น่าเกลียดย่างเนี่ยเป็นเห็นบอกว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยพวกนี้ยบอกว่าสัตะบริสุทธิ์จะเศร้าหมองพุทธเจ้าบอกอะไรบอกว่ า, วาสัตตานังวิสุทธยาเห็นไหม อาณิยมมันประกอบด้วยองค์แเนี่ยปฏิปทาทางดำเนินนี้จะเป็นปัจจัยใหสัตว์นั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากราคะบริสุทธิ์จากโทสะบริสุทธิ์จากโมหะมานาติธิวิจิกิชาวิธีการโนฏะปาฉะนั้นปฏิปทาคือเอกายโนยังพิกเวมโคเนี่ยบอกดูก่อนบริสุททั้งหลายทางสายเอกันเนี้ยทางสายเดียวนี่แหละเมื่อสัตว์นั้นมาเดินแล้วจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดได้ราธินีปฏเสตโทมเลยบอกว่าสัตว์นั้นจะบริสุทธิ์จะบริสุทธิ์ หรือเศ้ามองเนะี่ยบอกว่าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทําให้สัตว์นั้นบริรสุทธิ์ด้วยเศ้ามองปฏิเสธเหตุเนี่ยบอกว่าเหตุปัจจัยที่จะทําให้สัตว์นั้นนอะบริรสุทธิ์ด้วยเศร้ามองน่ะไม่มีหรอกสุขทุกเฉยๆต่างๆความหลุดพ้นทุกอย่างเป็นไปเองว่างั้นหลังจากเวียนไหวตายเกิดจนถึงที่สุดแล้วสัตว์เข้าถึงความบริสุทธิ์เองมันมาจําไม่ได้แล้วตอนเนี้ยคือท่านมีอายุ ข, ของท่านอยู่เลยนะบอกว่าเนี่ยกระแสะขันท่าได้ยินนะปล่อยมันเดินไปเรื่อยๆ ถึงที่สุดจริงๆเนี่ยเมื่อมันเหนื่อยแล้วมันเข้าถึงความหมดจดเองเขาเรียกสังสารสุธีคิดแล้วหนาหนาเห็นตามไหย <c oughs> ใช่ไหมคือมันจะบริสุทธิ์เองอ่ะเพราะสังสารวัตรเนี่ยมันมันทนไม่ได้หรอกที่มันจะไม่บริสุทธิ์ที่สุดจริงๆมันจะเข้าถึงความหมดจดความบริสุทธิ์เองเขาเรียกว่าสังสารสุธีปริเสธเหตุ อัตรกฐาจา์ตัดจัดละทีนี้ว่าเป็นอหิทุกะทิถิละทีนี้เป็นอหิทุกะทิถิเป็นเสตเหตุปจัจจัยส่วนละที่ก็ละทีของอจิตาเกสกรมพลพวกนี้หลังตายไปแล้วอัตราการศูนย์พวกนี้นะตรงนี้ก็อะไรเนี่ยเมื่อกี้ว่านัตถิทินังนัตถิยึดถังนัตถิหุตังที่ว่ามาตามลำดับเมื่อกี้ แต่ถ้าสาวัตถุกายาม่ใช่ทีสิบประการเนี่ยพวกนี้เป็นพวกนติกาทิฏฐิไม่ ม, ไมีใช่ไหมเยอะไหมแถวนี้มีไหมถ้ามีนั่งท้ายๆหน่อยด้วยจริงเลยคือคืออย่างนี้เขาเขาถืออย่างนี้นะว่า เขาบอกว่ามีแต่ธาตุตายแล้วดินไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ําไฟไปสู่ไฟลมไปสู่ลมอินทรีย์ทั้งหลายกระจายไปกลอากาศไม่มีอะไรเลยไม่มีือนคิดง่ายดีนะเวลาไปเผาอดินก็ไปสู่ดินไหมน้ําไปสู่น้ํำไหมไฟไปสู่ไฟลมไปสู่ลมอินทรีย์ทั้งหลายก็ลองรอยไปเลยกันกระจายหายไปหมดแล้วไหนล่ะใครไปเกิดไม่มีเนี่ยละที่นี่จึงเป็นนาติกาที่ติด ตรงนี้ก็ในรายละเอียดไม่ต้องไปสรุปอะเยอะแล้วเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไม่เข้าถึงมิจฉาทิสที่เราต้องการคําว่าต้องการไม่ต้องการให้เกิดในะต้องการรู้ต้องการรู้ก็เพื่อว่าตรงนี้หมายถ้าสรุปนิดนึงก็คือว่าถามว่าปุรณกัสปะเนี่ยบาป บ, บุญไ ม, ไม่ไม่เป็นงารทำเนี่ยอันนี้เป็นประการปฏิเสธกรรมใช่ไหมใช่ไหมปฏิเสธกรรมถ้าอชิตาเนี่ยนะ เข็นบอกว่ากายแตกไปแล้วก็ขาดศูนย์นี้ปฏิเสธวิบากใช่ไหมส่วนมัคคุริโคสาลัาเนี่ยเป็นการปฏิเสธทั้งกรรมและวิบากโดยสรุปแล้วก็คือว่าปฏิเสธตัวไหนก็เชื่อปฏิเสธทั้งหมดนี่นะเขาเรียกนี่ตามวิชาทิฏฐิทั้งสประการเนี่ยบางคนก็ดิ่งสู่ทัศนาเดียวบางคนก็สองทัศนะบางคนก็สามทัศนะนะแล้วแต่บางคนก็ปฏิเสธทั้งการกระทําด้วย ปัจเจศทั้งเหตุด้วยปัจเจศทั้งผลด้วยบางคนก็ในทัศระใดทัศราหนึ่งเท่านั้นแหละสรุปแล้วก็คือปัจเจศทั้งหมดแหละยังไงอธิบายไปอธิบายมาเนี่ยปัจเจศทั้งหมดนั่นแหละให้รู้ว่าเป็นเป็นทิฏฐิที่ททน่ากลัวกัแล้วกันอีกอย่างหนึ่งก็คือปักขุทากจายนะอันนี้ก็ถือสภาว่าเจ็อย่างนะดินน้ําไฟลมสุขทุกชีวะครบเจ็ดไหมดินน้ําไฟลมสุขทุกชีวะเนี่ยไอจเจ็ดกองเนี่ยเล็กน้อยมากคือ เป็นสภาวะที่ย่างยืนตั้งอยู่เหมือนเหมือนยอดภูเขาไม่หวั่นไหวไม่แปรปวนนะไม่อาจให้เกิดสุขและทุกข์แก่กันและกันได้ผู้ฆ่าเองก็ดีผู้ให้ฆ้าก็ดีเป็นต้นไม่มีสภาวะไม่มีสภาวะที่เจ็ดกองนี้ไปรับรู้เนี่ยฉะนั้นบุคคลอนะาศัยสตรานคมตัดศรีรษะของคนให้ขาดก็เหมือนกันกับเอาดินน้ำไปลมไปสอดแทะกับดินน้ำไปลมไม่มีอะไรไม่ตายหรอกไอ้ตัวเจ็ดตัวไม่ทดไม่ตา ย, ตายดินน้ำไปลมสุขทุกข์ขีวาเนี่ยตัวเนี้ย ลัทธินี้เป็นเนี่ยตมามวิจารณทิฏฐินะทั้งสามประการเลยเป็นอกริยทิฏฐิด้วยเป็นอริตทุกขทิฏฐินาติกาทิฏฐิเ น, นี่ยลัทธิเนี่ยอันนี้น่ากลัวใช่ไหมรองนักวิทยาศาสตร์เนี่ยลองให้วิจัยไปดีจะเป็นแบบเนี้ <c oughs> <c oughs> ยเดี๋ยวิจัยไปมากๆกลอย่างเนี้ยลัทธิของนิครนก็คือพวกนี้เผากิเลสด้วยการทรมานตนเนาะเขาก็ถือว่าเอาเผาถามว่าเขาเผากิเลสทําไม เขาถือว่ชดใช้กรรมใช่ไหมเขาคือว่าเขาชดใช้กรรมเข้ามาเขาทรมานเลยเผาเลยคือบอกว่าเผาเพราะว่าเหมือนเผาวิบากอะ่ะเผาวิบากแล้วก็เชื่อว่าทําให้เวทนามันสิน้นนะมพอสิ้นเวทนาก็สิ้นทุกเขาให้เวทนาจบไปมันสิ้นทุกเขาถือว่าเขาใช้แล้ว ทูตเจ้าถึงไปถามมาชาทีแล้วเธอทำอะไรมาทําปานอธิบาตใช่ไหมอธินาทานใช่ไหมกามีสมิชาจารย์ใช่ไหมปิสุณาวาจาพุรุสว า, าจาสัมภะพลาปะอภิชาหรือพยาบาทหรือมิจฉาทิฏฐิตอบไม่ได้สักข้อเลยพระเจ้าเดินหนีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถามไปเขาก็ยังยึดมั่นเขาอยู่นีใช่ไหมไมไปถามลูกศิษย์เนี่ยไม่ถามศาสดาเนี่ยรทตนี้อัตฉรถาจัดเป็นอัตตกิรมธมทานุโยกประกอบตนให้ลําบากอยู่ในประเภทสัตสตาวาทะ เห็นว่าชีวะเที่ยงแต่จัดนะรัตทีสัญชัยเวรพรบุตรอันนี้หลีกเลี่ยงโอนี่กล่าวถึงสันชัยเวรพรบุตรนี่เรื่องยาวเลยทีนี้ น, นะวิธีปฏิเสธของเขาเนี่ปฏิเสธที่ลึกซึ้งลึกลึกซึ้งแบบประเภทที่น่ากลัวเหลือเกินก็ก็อย่าไปให้มันเกิดเนี่ยประเภทหลายๆคนก็บอกว่าลัตทิประเภทอย่างนี้แล้วโอ้ถามว่าถ้าไปเจอรัตทีทรัสสายอย่างนี้จะว่าไงถ้าเขาถามบอกว่า อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เงี้ยใช่ไหมแล้วก็อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่มิใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ทีนี้มันจบเลยใช่ไหมอันนี้จบแล้วถ้าใครต้องการเถียงคนอื่นเนี่ยเอาหลัที่นี้ไปใช้ <c oughs> <c oughs> แต่อย่าใช้ <c oughs> ใช้แต่ใช้มาจะกลายเป็นอมาราวิเคกะปาวาท ะ, ะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขยายตรงนี้ฟังว่า คือในบรรดาทิฏฐิเนี่ยนะสุปตรงนี้เบ็เสร็จเดียวไปศึกษาเรื่องทิฏฐิในทิฏฐิคาถาในปฏิสามพิธามักนะมาจะเอาอัตคกถามาขยายแล้วก็จะขยายไอ้ที่สําคัญสำคัญบางอย่างเท่านั้นเองเพราะไม่ได้มีเป้าหมายในการจะเอาตรงนี้มาขยายเพราะงั้นยวาวๆสติปัฏฐานสูตรก็จะ เ, เลยไม่ได้ ที่จริงก็คือตอนนี้เราเรียนสมาธิทีใช่ไหมรู้จักสมาธิทิว่าเป็นสมาธิิรู้จักมิจฉาที่ทีว่าเป็นวิชาทิ่ทีตอนนี้เรามาเรียนรู้เพื่อจะได้รู้จักมิจฉาทิ่ทีความรู้ของเราจะได้เป็นสมาธิินั่นเองวัตถุประสงค์คือตรงนั้นนะวัตถุประสงค์คือตรงนั้นถ้าไม่รู้จักเขาเลยก็จะจะเป็นโทษอีกในในมิจฉาที่ที่หกิบสเนี่ยเรื่องอัตาและโลกเป็นต้นเนี่ยนี่นะท่านสแสดงไว้ในพรหมชาลสูตร เออในประเภทของมิจฉาทิถีหกสิบสองเนี่ยท่านแบ่งเป็นสองประเภทประเภทปุบพันตากับปิกาวาทะหรือปุบพันตากับปิกาทิฐิอันนี้เป็นทิฐิที่ปารลบส่วนเบื้องต้นต้นมีอยู่ห้ากลุ่มมีสิบแปดประเภทสิบแปทิถีอัปรันตาอภิกาวาทาทิฐิหรือวาทาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นทิฐิประเภทที่ปารลในส่วนเบื้องปลายห้ากลุ่มนี่ห้ากลุ่มมีสี่สิบสี่ทิถี สิบแปดบวกสี่สิบสี่เป็นเนี่ยเป็นหกสิบสองเนี่ยนะในหกสิบสองเนี่ยทําไมพระพุทธองค์ทรงสแสดงทิฏฐิในในส่วนของเบื้องปลายเนี่ยนะในส่วนของเบื้องต้นเนี่ยปาลบส่วนอดีตส่วนอดีตนี่แปดสิบแปดทิฏฐิเออขอไปสิบแปดทิฏฐิเนี่ย <Yeah. S 1> มาจําตัวเลขไม่ค่อยได้เนี่ยพราะงั้นเองตกคณิตศาสตร์เร mm ื่องเรื่องตัวเลขเนี่ยม า, าจะกล่าวอะไรต่างๆเนะี่ยมีการผิดพลาดตลอดนะ ามาบอกไว้ก่อนว่าามาเป็นคนไม่ชํานาญเรื่องตัวเลขเลยไม่ชํานาญจริงๆแล้วเห็นตัวเลขก็มองผ่านมองผ่านทุกทีไม่พยายามจําด้วยนะขนาดหกสิบสองนี้ก็ยังไม่ค่อยจะจำเดตเตอจะจําเนื่อความความถนาดต่างกันเลยนะนี่พยายามจะหาจําจตัวเลขอยู่ตอนนี้ฉะนั้นทิฏฐิที่ปารบในส่วนเบื้องต้นแปลว่าปารบในส่วนอดีตเนี่ยสิแปดนี่นะทำไมพุทธเจ้าแสดงทิฏฐิที่เป็นอดีตอดีตที่ยาวไกลด้วยนะแล้วอย่างหนึ่งก็คือแสดงทิฏฐิที่เป็นอนาคต และประการต่อมาก็คือแสดงทิฏฐิที่เป็นปัจจุบันเห็นไหมนิจฉาทิฏฐิเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นแยกออกเป็น3การคือในส่วนของอดีตการอนาคตการแล้วก็ปัจจุบันาการเออท่านแยกอย่างนี้เมื่อแยกอย่างนี้เบียเศตเดี๋ยวท่านจะไปเชื่อมไม่ดูนะท่านไปเชื่อมไหนไหนพระพุทธ菩萨อาจารย์ท่านก็จะไปเชื่อมให้พระสารีบุตรท่านก็จะไปเชื่อมให้เชื่อมไม่เห็นการละทิฏฐิสมการละยังไงแล้วไปเชื่อมโยงใน ในในในบรรดาการเจริญวิปัสสนาอย่างไงถ้าจะเชื่อไม่เห็นเบียเศจแล้วแต่นี้เราก็จะสบายใจแล้วว่าโอ้การเจริญวิปัสสนาของพระเจ้าควบคุมมิจฉาทิฏฐิแบบนี้แล้วต้องละทิฏฐิแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ในส่วนของสัตตาวาทะเอกจาสัตตาวาทะนันตานันติกาวาทะแล้วก็อมาราวิขี ป, ปาวาทะ อ, อาทิตจตสมุ ป, ปันนาวาทะอันนี้ในส่วนของอดีตหมดเลย ในส่วนของที่ถีที่ปารบส่วนอดีตทั้งหมดแล้วกับปลารบขันในส่วนอดีตทั้งหมดเลยถามปลารบนานขนาดไหนก็ดูนะเช่น ส, ะ ส, ะสะตาวาท่านเนี่ยจะมาจะกล่าวย่อๆเพราะเราไม่ต้องการลงลงรายละเอียดทุกแง่ยทุกมุมตรงนั้นมันจะช้าเลยเลยทั้งนั้นนะทั้งนั้นจะไปกันไม่เป็นเลยด้วยเนะเพราะตรงนั้นรายละเอียดท่านทั้งหลายไปจับนะเดี๋ยว อ, ย า, อวาจารยอนุวนบอกที่ไปที่มาให้เพราะอายุมันเหลื อ, ลอน้อยใช่ไหมเรียนไม่ทันแน่นอนนะมาคำนวณให้ได้ เ, เสร็จ ไม่มีทางทันอายุที่เหลืออย่าเรียนไม่ทันอย่าคิดวิ่งเรียนมากเดี๋ยวจะกลายเป็นวิ่งด้วยตัาห า, านนนที่ตีแต่คิดให้เกิดความมั่นใจในพระธรรมคุณเจ้าให้มากนะเพราะไม่ทันหรอกอายุที่เหลือนี่ไม่ทันทีนี้แต่ไม่ใช่ไม่เรียนนะให้ให้ให้ตั้งหลักให้ถูกให้ตั้งหลักให้ถูกอยา่าอย่าสเปรย์สปะ นี่สำคัญมากถ้าตั้งหลักไม่ถูกนะมันจะกลายเป็นคนจับหลักอะไรไม่ได้อา้าจจะสมมติว่าเขาเขาเขาขายผลไม้ก็อยากขายเขาด้วยใช่ไหม เ, เขาขายขนมที่ขายตามร้านเดียไปก็อยากจะขายเขาขายนําแข็งก็อยากจะไปขายอรต่างๆเนี่ยคือเขาจับอะไรอยากจับหมดถามคนคนนั้นประสบความสําเร็จไหมทั้งโลกอาทางธรรมตอนนีเเ้เขาเรียนอะไรเนี่ย <Okay. S 1> <laughs> อยากรวหมดอนะ่ะ แล้วประสบความสเร็จไม่ท้งทำแจ้งเหงินกันเยอะไหมแจ้งเหงินกันหมดเพราะว่ารับไม่ไหวรับไม่ไหวหรอกแต่ถ้าหาประเภทที่ใส่เหตุกะปฏิสนธิอุกฤิมังเป็นบารมีมาอย่างยาวไกลโอ้โหอนุมาจะอุยไปเรียนเหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม้องดูที่ความจําเนี่ยฟังรอบจำํำปุ๊บๆได้เลยไหมไปเรียนตั้งร้อยร้อยวิชาสาขาเรียนไปใช่ไหม น, นั้นนะฮะ โอ้ยังมีคนจำได้แม่นๆยังเหลืออยู่ตอนนีย้ยังมีทรงพระใจพิโกอยู่ใช่ไหมแต่อย่างนี้ก็แต่แต่แต่แตมาเคยถามอยู่รูปหนึ่งเนี้ยเออ ท, ท่านท่านทรงพระใจปิโดกท่านใช้ยังไงวะท่องไม่พบผู้คนนะท่องฉันเสร็จมือเดียวก็เข้าห้องเข้าห้องกี่ปีไม่รู้ประมาณสิบสิบห้าปียังงไม่รู้ทรงได้หมดเลยแต่ พูดภาษาพวกเราไม่ค่อยได้เลยออกเป็นภาษาภาษาพิศนกหมดเลยเป็นสำเนียงออกทั้งนั้นหมดเลยเป็นนึกเวลาจะพูดภาษาอย่างเรานี่ต้องนึกเลยว่างั้นต้องมันนึกเลยไปไปทางพุทธเจ้าหมดแล้วไปหมดแล้วไม่ได้ถามท่านไม่อยอมก็แคไปเจาะถามงัม้นโอ้คือคือภาษไปทางภาษาพุทธเจ้าหมดแล้ว คือภาษาถ้าจะพูดภาษาเราต้องมานั่งคิดแล้วมานั่งคิดแต่พระเจ้าดึงดึงก็าหาท่านหมดแ ล, แล้วเวลาจะกล่าวอะไรก็เป็นเป็นคําสอนไปนหมดแล้กล่าวไม่กล่าวออกนอกแล้วใช่ไห <c oughs> <c oughs> มก็ <c oughs> ท่องทุกวนันปัป๊บไปแต่จะมีอยู่องค์หนึ่งท่องท่อ ง, องไปเป็นลมสลบเลยไปไม่เป็น <c oughs> องนั้นบอกไม่เอาอยู่แล้ว นีนะ่มันเป็นอย่างนี้นะคนทรงพระไตรปิฎกโดยมากไม่ค่อยเข้าใจคนยุคเนี้ยอันนี้ไม่ไม่ใช่ดูถูกด้านนะี่คนที่ไม่ค่อยทรงหรอกแต่คนคว้าคือเข้าใจแล้วมันยังมีสองกรมเลยตวเนี้ยคือท่านจะามัวเสียเวลาในการค้นก็ไม่ได้ใช่ไหมพระตันต้องรีบทรงอะ่ะแค่เวลาทรงก็จะหมดไปอยู่แล้วเพราะยุเราความจํามันเหลือจํากัดมากคนยุคเนี้ยเับกาเพราะมัวแต่ทรงมัต้องทวนใช่ไหมต้องทวนเดี๋ยวต้องทวนทุกวนันทุกวนักวนต้องคิดดูดิ ทนจนเหนื่อยฮะแล้วกรณีีจะไปเข้าใจจ อ, อยลึกซึ้งเชื่อมประสานก็ไม่ค่อยมีอีกแล้วนี่ยเป็นอย่างนี้อความทําจํากัดจริงๆเลมาเห็นแล้ว น, น่ากลัวมากนั้นรีดจับประเด็นกันเนี่ที่เหลือเนี่ยเยอะที่เหลือเนี่ยเรียจับประเด็นให้ถูกพอไปเห็นแล้วต้องม า, มานั่งคํานวณใหม่เลยเราไ น, นั่งคํานวณโอ้ไม่ได้แล้วเราต้องคํานวณแล้วเราจะเดินแบบไหนอ่ะจะเดินแบบความเข้าใจหรือจะทรง ถ้าจะทรงก็ต้องทรงไว้อยู่นั่นแหละไหนสําคัญที่เห็นว่าความจำเป็นก็ทรงทรงไว้นะแล้วก็ประเด็นความเข้าใจตรงนี้บอกมาไว้ใช่ไหมถ้าั้นเดี๋ยวจะปฏิบัติไม่ถูกใช่ไหมใช่ดน <laughs> ั้นในด้านของศาสนาว่าท่านะเห็นว่าตนเนนะเห็นว่าตัว ต, วตนอัตตาในะว่นโลกเที่ยงทําไมเขาเห็นว่าเที่ยงกลุมนี้เลือกชาติได้ชาติเดียวจนถึงแสนชาติเอาสิ นี่เนี่ยพอระลึกไปเนี่ยระลึกได้ตั้งแต่หนึ่งชาติไปจนหนึ่งแสนชาติมิจฉ า, า, าที่ฐิก็ปกคลุมปุ๊บขายก็มิจฉาทิฏฐิปกคุมหมดเอาสิเนี่ยระลึกได้แสนชาติกลุ่มที่สองเห็นอัตตาและโลกเที่ยงอยู่เหมือนกันระลึกได้ตั้งแต่หนึ่งกับไปจนถึงสิบกับอันนี้ระลึกฟื้นไปเนี่ยไไมิจฉาทิฏฐิก็คลุมปป ป, ป, ป, ปไปหมดไงเห็นไหมมิจฉา gods, ทิฏิคลุมมีส่วนอดีตกลุ่มที่สาม ตั้งแต่สิบกลับไปจนถึงสี่สิบกลับก็ได้แค่นี้เพราะกลุ่มกลุ่มมิจฉา ท, ทีฏฐิเพราะวิจฉาทิฏฐิน่ะยิ่งเราเลิกไปก็ปิด เ, เลิกได้ไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจจะปิดวิจฉาทิฏฐิกินหมดเลยแล้ว เ, เห็นเที่ยงเลยเนี่ยกลุ่มที่สี่พวกนักคิดนักคาดคะเนตรึกเอาเดาเอาเนี่ยเหมือนเราเราเนี่ยบางท่คิดคิดไปคิ ด, คดมาบอกอาตาัตราเลยโลกเที่ยงนี่สี่อะไรก็สั ส, ส, สตาวาทะ กลุ่มที่สองเอกจ่าสสารวัฒนเนี่ยบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเนี่ยนะเออถ้าเราดูในสูตรโดยทั่วๆไปใช่ไหมเราจะเห็นที่พระพรหมอ่ะพระพรห ม, มมาจากไหนอมาจากชั้นสูงมาตกอยู่ชั้นต่ำเป็นเท้ามหาพรหมเอ๊ะที่แรกอยู่องค์เดียวนะเข้านะเข้าคิดแมนะ่น่ามีเพื่อนอ้าวมีมาอย่างยิงด้วยพราคิดนะมีพวกพรหมมะปริสชาพรหมรรมะบรออิตามาเป็นต้นเนี่ยนะ พอมาไปเสต์จนี่ยเอนี้สงสัยเนี่เราเนรมิดขึ้นแล้วเนี่ยนี่มิจฉาที่ฐิกินอีกพวกนี้มิจฉาที่ฐิกินอีกพรมพรมพวกเนี้ยมิจฉาที่ฐิกินอีกก็เลยเห็นคนอื่นเกิดตายคนอื่นเดือตายตนเที่ยงแต่พวกอื่นไม่เที่ยงนี่พวเอกาจาศัสตาวาทะเออกาจาศัสติฐิเห็นว่าเที่ยงถ้ากล่าวออกมาว่าอ๋อเข้าไปเย้าเที่ยงคนอื่นไม่เที่ยงครับคนที่เข้าไเจ้านับถือเนี่ยเที่ยงใช่ไหม แต่คนที่ข้าวิเจ้าไม่นับอย่างกลุ่มพวกข้าวเจ้าทั้งหลายไม่เที่ยงพวกนี้พวกเอกจศาสัตาวาทะด้วยเป็นเอกจศาสัา ต, ติถีด้วยมีความเห็นด้วยแล้วก็มีวาทิ์ที่กล่าวว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเคยเห็นไหมในโลกใบ น, นี้ยไปกล่าวว่าพระพรหมเที่ยงบางพระเจ้าเที่ยงบางแต่ตัวเองไม่เที่ยงมี <ul> งไหมนี่คือระลึกนะระลึกได้นะระลึกอดีตได้ไหมได้ อาศัยฌานสมาบัติที่ไหมละลึกอาทำไมมีฌานสมาบัติทำไมมีมิจฉาทิฏฐิครอบงำพระเจ้าแสดงนี้แสดงเพื่ออะไรอ่ะแล้วมิจฉาทิฏฐิที่เป็นไปในส่วนอดีตเนี่ยพระองค์สอนให้ละไหมต้องใช้อะไรละต้องสมาธิทีละใช่ไหมสมาธิต้องปรารบส่วนอดีตไหมถึงจะละได้ต้องปรารบหรือไม่ปรารบแล้วมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เคยเกิดในกระแสขันธธาตุอายตนะของเราหรือยังมิจฉาทิฏฐิแบบนี้เคยเกิดหรือยัง เคยแน่นอนต้องเคยเกิอดอย่างแน่นอนฉะนั้นในกรรมวลนสันดานของเราท่านทั้งหลายมีความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นปุบเพกะตะปุบพันตะนะเกี่ยวเนื่ อ, องกับปุบพันตะกับพิกะทิฏฐิมาแล้วทั้งนั้นฉะนั้นต้องละพุทธเจ้าทรงสอนไงไหมฮะ เพื่เจ้าจึงสอนวิปัสสนาในการนิ่จะละเดี๋ยวไปดูหลักฐานอันนี้พูดพู ด, พ, ดพูดนำไว้ว่าสอนให้ละทิฏฐิในส่วนอดีตที่เป็นไปกระกระแสขันธ์ธาตุญาัะยาวนานเพราะมันเคยเกิดและทิฏฐิเหล่านั้นยังไม่เคยถูกละด้วยมักใดมักหนึ่งเลยใช่ไหมแล้วแล้วยังมีกำลังอยู่ทิฏฐิเป็นอนุัสไห ม, มเขาเรียกทิฏฐานุใสเป็นเป็นเป็นกิเลส ท, ที่มีกาลังมาก นั้นเรียบร้อยไปแล้วในกระแสการธาตุอยายตนะของเรามีที่วิจารที่ติประเภทนี้ประการต่อมาคือเทวดากลุ่มเทวดาที่มีวิจารที่ตีเทวดาที่จุติพ่อชอบเล่นเนี่ยสนุกสนานพวกนี้ไม่เที่ยงแต่เขาเที่ยงเขาเขาถือว่าเขาเที่ยงนี่นี่กลุ่มหนึ่งนะที่นี่เทวดาที่เขาตายไปแล้วเฉพาะสนุกสนานตายไปแล้วเขาละเลิกได้เหมือนกัน เขาก็เลยเข้าใจว่าเออเขาเขาไม่เที่ยงหรอกแต่นี่พวกนี้เที่ยงหรือเทวดาที่จุติพราะเพราะโทสะตายเพราะโทสานี่ไม่เที่ยงแต่เทวดาที่เขาไม่เพลิดเพลินถึงนี้เที่ยงแล้วก็กลุ่มคาดคะเนว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงคือตัวตนฝ่ายจิตนี่เที่ยงตัวตนฝ่ายกายนี่ไม่เที่ยงไอพวกคิดเนี่ยนักคิดพวกเอกจัตวาธาเนี่ยจิตเที่ยงใช่ไหมกายแตกดับใช่ไหมพอตายปุ๊บเนี่ยมีจิตรอยใช่ไหม เนี่ยจิตล่องลอยใช่ไหมพวกนี้แค่คิดอย่างเงี้ยนี่คือเอกจักระสสาระเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายไม่เที่ยงแต่จิตเที่ยงพอตายแล้วจิตมันลอยไปดูภาพยนต์เยอะพวกเนี้ยภาพยนต์ก็ชอบสร้างใช่ไหมภา<น>พยนตร์ก็ชอบสร้างเหลือเกินพอตายปุ๊บก็มีดวงอะไรลอยออกอ่ะเนี่ยเจก็เห็นไหมชอบสร้างมากสมัยเด็กๆอ่ะมาก็โอ้จิตเป็นอย่างเงี้ย โดนหลอกก็ตั้งนั้นเนี่ยคือวิจฉาทิฏฐิทีนี้ทิศกรณีอย่างเงี้ยนะนี่คือกลุ่มเอกระจาตวาัฏะเออทีนี้ถ้าหามว่าพิจารณาอย่างเี้เราจะเห็นว่ากลุ่มอย่างเนี้ยกลุ่มลักษณะเห็นว่าบางอย่างที่อย่างบางอย่างไม่เที่ยงต่างๆแบบนี้โดยมากในปัจจุบันนี้กลุ่มคาดคะเนแบบนี้เยอะกลุ่มคิดอย่างเงี้เยเอะอันนี้ก็ก็กลุกเข้าในกลุ่มวิชาทิฏฐิก็บางทีใกล้ๆตัวเรานี่แหละ แคจะทำยังไงเขาห้มมามครบะเขาห้มมามครบะบางทีกลายเป็นเรารักมากด้วยเ่าวัตถุชิ้นนั้นนะเอาเละสิใช่ไหมเรารักมากด้วยและเราเกรียใจด้วยขนาดจะมาฟังธรรมยังขออนุญาตทิถแบบนี้เลยถ้าทิถีอย่างนี้ไม่ยอมไม่ยอมขึม้นมาเราก็ไม่โบใช่ไมใช่ไหมใช่ไหม เราเกนใจที่ทิถีแบบนี้มากเรากลัวทิถีเหล่านี้จะโกรธแล้วถ้าทิถีอย่างนี้โกรธแล้วก็ไปตามง้อทิถีอย่างนี้ด้วยนะใช่ไหมยังโทรไปง้ออีกโอ้พเจ้าบอกว่าอย่าเข้าใกล้ใช่ไอย่าเสียอย่าเสียวันนาด้วยอย่าครบด้วยแล้วจะทำไงตอนเนี้ย ก็พระพุทธเจ้าบอกว่าไงบอกว่าให้ครบสามมาทิฏฐิใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเวล์ต้องรีบขยันจะหมดเวลาเลยคืออันตานันติกาวาท้าความเห็นว่าโลกมีที่สิ้นสุดไปเลยเนาะเดี๋ยวรายละเอียดเก็บไม่ได้ทันนะโลกมีที่สุดและโลกไม่มีที่สิ้นสุดที่พวกอันตานันติกาวาทะนี่สี่ประเภทเห็นว่าโลกมีที่สุดเห็นว่าโลกไม่มีที่สุดเป็นต้น โลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดกลุ่มพวกนี้เขาได้สมาบัตได้ปฏิภาคคณิมิตปฏิภาคคณิมิตแผ่ไปได้แค่ไหนก็ เ, เห็นที่สุดแค่นั้นบางคนไม่ได้ไม่ได้โดยส่วนหงูกว้างนะบางคนได้ในส่วนขวางด้านทิศ ต, ตายทิศตะวันออกตะวันตกอะไรก็แล้วแต่เขาแผ่ไปได้บางทิศบางทิศแผ่ไปไม่ได้เนี่ยเขาก็มีความเข้าใจผิดไปตามสถานภาพของสมาบัติแล้วก็ตัวปฏิภาคคณิมิตที่เขาได้นะั้นโดยสรุปก็คืออย่างเนี้ย นี่เขาเรียกว่ามีที่สุดและไม่มีที่สุดเขาเรียกอันตานันติกะวาทะแล้วก็อันตานันติกะทิถีเห็นแล้วก็มีวาทะเก่าวอย่างนั้นโอ้มีที่สุดก็สอนกันไปทิถีในลักนั่นี้อีกกลุ่มนี้ก็กลุ่มคาดคณีพวกนี้นัคาดคณีนักคิดทั้งหลายก็โลกมีที่สุดก็ไม่ใช่โลกไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่กลุ่มนักคิดเนี่ยนี่กลุ่มนี้กลุ่มปฏิเสธมาแฝงอยู่ตรงเนี้ยบอกก็จะว่ามีที่สุดก็ไม่ใช่แล้วก็จะว่าไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ งงอยู่เนี่ยนะประการที่สี่ก็คือเอามาราวขี้เขีป่าวาทะอันนี้ปฏิเสธทําไมถึงปฏิเสธเกรงว่าจะพูดเท็จจึงปฏิเสธทําไมจึงปฏิเสธอีกอย่างนี้ก็ไม่ใช่นี่นะแล้วเลยเพราะเพราะไม่รู้ปฏิเสธเพราะกลัวจะกล่าวเท็จปฏิเสธเพราะกลัวไม่รู้คือคืออย่างนี้อเกรงว่าจะพูดเท็จก็ปฏิเสธว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เนี่ยก็เกรงว่าจะพูดเท็จเขาถามบอกว่ากินข้าวยังไม่ใช่ใช่ไหมบอกไม่ใช่ยังไม่กินเลยโอไม่ใช่ฉันตกลงไม่กินใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรือไปเลยเดี๋ยวนี้เกรงว่าจะยึดถือก็ปฏิเสธว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่เกรงว่าจะถูกซักถามก็ปฏิเสธอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะ แล้วเขาไม่รู้จริงแล้วก็ไม่ยอมรับหรือยืนยันอะไรเลยกลุ่มเนี้ยไม่ยอมรับหรือยืนยันอะไรเลยเขาปฏิเสธไปเลยประการสุดท้ายคืออาทิจัดสมมุติปณะวาทะหรือทิฏฐิแนวเห็นบอกว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปจัจจัยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุเพราะเคยเกิดเป็นนะมีสองกลุ่มนะกลุ่มที่เป็นอสัญญสัตว์มาใหม่ๆแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดา แล้วระลึกไปมันไปติดในห้าร้อยมหากรบมันระลึกผ่านไม่ได้ไม่เห็นจจุดตีไม่เห็นจุดตีในสัญญาศัสตร์ไม่เห็นปฏิสันธิขาดจุโตประปาตยานเห็นไหมกลุ่มนี้ปึ๊กเอ๊ะมาไงไป ร, รู้อ๋อมันเกิดมาเองและ้ะทะลุผ่านไม่ได้เลยก็ว่านี่กลุ่มนี้เห็นจริงด้วยเห็นแบบวิชาทิฏฐิ เพราะมันระลึกแล้วทะลุไม่ได้พอไปติดห้าร้อยมหากรรมน้อยมาเลยละมหากัรมนะโลกแตกดับม า, 500บา500มหา้าร้อยใบเนี่ยห้าร้อยมหากัรมเนี่ยโลกแตกดับมาห้าร้อยใบเนี่ยนั่นมันจะทะลุทะลุได้ไหมก็ไปติดอยู่นั่นแหละใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ากลุ่มนี้กลุ่มอาทิตย์จ่าสมุ ป, ปันนะเห็นว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุกลุ่มที่สองกลุ่มคิด โดยไม่มีเหตุคิดไปคิดมาว่าไม่มีเรา ก, ก็เห็นอยู่ใช่ไหมพ่อแม่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีเราก็แค่ตรงนี้เหตุในอดีตมียังไงปฏิเสธตูมตัดวงจรไปเสียวิจัยแค่นี้เคยเห็นนัวิจัยไหมล่ะนี่แหละคือกลุ่มของปกพันตะกับปิกะทิฐินีปรรบปรรบในส่วนเบื้องต้นถ้าเราดูใน คาถาคาถาที่พระพุทธองค์ทรงสอนสอนสันตติมหามาตย์อย่าชัดขึ้นเลยตอนเนี้ยในในธรรมบทนะแล้วท่านไปขยายไว้ในในมานิทศสแล้วก็มาขยายไว้ใน ปฏสมามิทามรักคําว่าขยายไว้ในปฏิสมามิทามรักเดี๋ยท่านขยายในเงี้ยที่ที่ที่กล่าวนี่ยนะเดี๋ยวต่อไปจะไปสรุปถ้ามีเวลานะไม่ทันวั น, นวันนี้ก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็มีโอกาสจะมาช้าไม่เป็นไรขอให้เข้าใจเนี่ยนะตอนนี้จะคิดอีกแล้เธอจงทํากิเลสที่ป่าลบสังขารในส่วนเบื้องต้นในเหื่อแห้งไปเนี่ย คือกิเลสคือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายที่ปารลบสังขารคือขันทั้งหลายในส่วนเบื้องต้นทั้งหมดเนี่ยทำให้เหือดแห้งไปด้วยใช้ความเพียรใช่ไหมใช้สมาทิฏฐิใช้สมาทิฏฐิรู้จักสมาทิฏฐิว่าเป็นสมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้ของเธอนั้นเป็นทีนี้การรู้จักมิจฉาทิฏฐิก็รู้มิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ก่อนนะนมาอธิบายตรงนี้เชื่อมเชื่อมให้เห็นนิดนึงแล้วเวลาไปอ่านเนี่ยมันจะมีคํา อธิบาไว้นิดเดียวนิดเดียวแล้วเราก็จะมองไม่ออกกันเลยนะอันมาก็ได้ได้เชื่อดูเวลาไปเ ป, เปิดเจอได้โออโอจริงแล้วอย่างเงี้ยได้เข้าใจเลยทีเนี้ยก็คือในส่วนตรงเนี้ยที่ท่านบอกว่าปารบนี่ยนะเธอจงทํากิเลสที่ปารบสังขารในส่วนเบื้องต้นในส่วนเบื้องต้นก็คือในส่วนของอดีตทั้งหมดนี่แหละอะไรล่ะทิฏฐิที่เคยรูปคําในความหินผิดทั้งหลายที่เป็นปุพพันตะสตกาสตาวาธาเนี่ยเกี่ยนเรื่องของวาธาที่เห็นว่า ส่วนสุดทิฏฐิที่ตารลในส่วนเบื้องต้นหน้ากลุ่มนี่นะสตาวาาัฏฐเอก จ, จัตสตาวาาัฏฐอันตานันติกาวาฏฐ์อมลาวิขีปาวาฏฐอาิตจัตสมปันนาวาาัฏฐ์สิบแปดประเทศสิบปดทิฏฐินี่นะออและอีกอย่างหนึ่งรวมอะไรอีกสิบแปดอันนี้เอาสักยะทิฏฐิที่มีวัตถุยี่สิบเข้าไปด้วยใส่เหมือนไม่ใส่เพราะมิจฉาทิฏฐิที่เป็นสักยะทิฏฐิก็ดีเป็นอัตตาทิฏฐิก็ดีเป็นประธานของทิฏฐิเหล่านี้นั้นท่านจะไม่นับ ท่านไม่นับเข้าใจไหมมีวัตถุยี่สิบจริงเช่นเห็นรูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปใช่ไหมหรือรูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปใช่ไหมแล้วก็กรณีอย่างเงี้ยการเห็นเห็นว่าการเห็นในรักนะที่เป็นสักกายทิฏฐิยีสบเนี่ยมีวัตถุยี่สิบเนี่ยเพราะรูปก็สี่เวทนาก็สี่สัญญาสังขารวิญญาณก็สี่สี่ห้าก็เลยยี่สิบในในยี่สิบเนี่ยท่านไม่นับเพราะเป็นประธานของมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ เพราะว่าคนที่จะมีมิจฉาทิฏฐิใหญ่ๆอย่างนี้จะต้องมีสักยะทิฏฐิฉะนั้นคำว่าปารลในการที่จะล้าเนี่ยใช้ปัญญาเนี่ยแหละวิจัยรู้จักมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เสียให้รู้จักมิจฉาทิฏฐิที่เป็นปพุพานตา ก, กปิกาทิฏฐิเนี่ยในส่วนอดีตแล้วใช้ปัญญาใช่ไหมในการที่จะไปล้ามิจฉาทิฏฐิเพื่อเข้าถึงสมาธิ เพียรพยายามในการที่จะละมิจฉาทิฐิเพื่อเข้าถึงสมาธิธิสติก็ตามรา ะ, ะลึกเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสมา ธ, ธิิลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าสมาธิธิสมาวิมมะสมาสติก็แวดล้อมสมาธิธิขยายสมาธิธินั้นให้กว้างเหมือนอะไรอาจารถาท่านไปอธิบายไว้ในมหาจตระยิสกสูตรบอกว่าเหมือนกับบุรุษถางปาถางปา เวลาจะปลูกข้าวจะปลูกพืชพันธัญญาหารเนี่ยต้องถางต้องใช้มีดถางถางเบสเซ็ตก็เผาไฟกองกองกลเผาไฟถางแล้วก็เผาไฟเพื่อจะได้เอาข้าวกล้าใส่ลงไปในนาปลูกให้มันขึ้นมาอันนี้เหมือนกันในกระแสะขันทาศอายยตนะของเธอทั้งหลายในอดีตเนี่ยมันถูกมิจฉาทิฐีลกชัดคือทิฐิเขียวคือทิฐิกันดานคือทิถีใช่ไหม ปรามาสการลูกคำคือทิฏฐิคือความเห็นผิดเหล่านี้ฝังแน่นในกระแสขันธะไดยตนะของเธออย่างเต็มไปหมดแล้วเธอต้องจัดการถางใช้วิปัสสนาสมาธิฏฐิเป็นปุเรจาริกในการเข้าไปถางมิจฉาทิฏฐิเพื่อจะเข้าถึงสมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตลา่าแล้วก็ความเพียรพยายามเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเพื่อเข้าถึงสมาทิฏฐิสติตามระลึกเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงสมาธิฏฐิเพื่อจะได้ปลูกอาญามักลงในกระแสขันธะไดยตนะ ก็เหมือนกับปูกข้าวลงในพื้นนานั่นแหละเขาใอย่ยังฉะนั้นต้องละทิฏฐินดีนี้ต้องละนันมันจะสอดค้องกันหมดแล้วพระเจ้าปิดกเนี่ยนะไม่เป็นอื่นหรอกพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงจะดูสูตรไหนเราจะจะมองเห็นไหมแค่นั้นเองนะอันนี้ในส่วนอดีตปารกขันท่าไดายตนาที่เป็นไปในส่วนอดีตที่มีวิชาทิฐิเต็มไปหมดแล้วเราไม่เคยจะลองมิปรสนามุมนี้กันเลยเอ่ะ ใช่นี่ส่วนอดีตนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอทั้งบอกอะไรนะบอกว่าศึกษาเพือสติปัฏฐานเนี่ยแล้วทุกท่านจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วพระริจ้าจะบอกแท้เองนะอาตมาเป็นผูนน้นําเสนอข้อมูลแค่นั้นเองอาตมาไม่ใช่ผู้กล่าวอาตมาเป็นคนผูนน้นําเสนอข้อมูลท่านหลายพิจารณาแล้วเป็นอย่างกันไปใช่ไหมนี่นี่เป็นแบบลักษ์อย่างนี้ แล้วแต่ละดายเขาใจยังเขาใจยากไหมเลยอภิการต่อไปนะประการต่อไปนะทีนี้เข้าใจในจุดนี้พอสมควรแล้วนะอาจจะต้องมีการมวนกันอีกรอบเลยทั้งไปอภรันตะอภรันตะกับพิกาวาธาทิถีอันนี้ทิถิปารบในส่วนเบื้องไปลห้า ห้ากลุ่มห้ากลุ่มจะเป็นสี่สิบสี่มีปลาลบอดีตเออขอภายอนาคตเนี่ยมาอะไรเบื้องปลายเป็นอดีตบางเบื้องต้นเป็นอนาคตอะไรก็มีรู้เบื้องต้นเป็นอดีตเบื้องปลายเป็นอนาคตเนี่ยก็ดูบาลีดีวกล่าวก็ไว้เนี่นะเธอจงทํากิเลสที่ปลาลบสังขารในส่วนเบื้องต้นให้แห้งไปนี่เข้าหลักนี้เลยเข้าหลักทิฏฐิที่เป็นไปในส่วนเบื้องต้น กิเลสเครื่องกังวลที่ปลาลบสังขารในส่วนเบื้องภายหลังนี่เบื้องใต้นะภายหลังเนี่ยแม่เพื่อนไม่ได้มีบาลีมาไม่เป็นไรหรอกแต่ไปดูบาลีฮะแล้วจะตรงกันเอาเรียนบาลีทุกวันจําบาลีได้ไหมไม่ได้ฮะจ่ายไปแล้วใช่หมที่จริงอ่ะมาก็มาเนี่ยอยู่ตรงนั้นขนี้เกียจลบไปหยิบเสียเวลาหยิบ เ, เวลากระชันน้นชิด เดี๋ยวค่อยดูช่องบ่ายก็ดูไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมว่ากิเลสเครื่องกังวลกิเลสเครื่องกังวลที่ปราลบจิตวิบันท์ใช่ใช่นั่นแหละกิเลสเครื่องกังวลที่ปารบสังขารในส่วนเบื้องปลายหรือภายหลังอย่าได้มีแก่เธออย่าได้มีแก่เธอทิศทีทั้งหลายเนี่ย ที่ปารบในส่วนเรื่องปายในยาได้มีแก่เธอปาลบแค่ไหนหนึ่งสัญญีวาทะเห็นว่าหลังตายแล้วอัตามีสัญญาคือหลังจากตายไปแล้วอัตามีสัญญาอัตาร์ที่มีรูปยั่งยืนมีสัญญาเป็นต้นว่าไปเถอะอัตาที่ไม่มีรูปแล้วก็มีรูปเป็นต้นยั่งยืนมีสัญญาเนี้ยคือหลังจากตายไปแล้วเนี่ยมันมีสัญญามันมีกลุ่มนมามธรรมอยู่ใช่ไหม มันเป็นอัตราด้วยนะไปเข้าใจเพ็นอัตราว่ามีอยู่มีอยู่ยังไงอย่างนี้เป็นต้นก็ว่าไปได้อีกสิบหกประเภทอีกสิบหกประเภทเนี่เขาเรียกกลุ่มอัตรามีสัญญาสิบหกประเภทบางทีในอัตราต่างๆก็มีอัตราอย่างเดียวกันบ้างมีอัตราที่ต่างกันบ้างเนีอัตราเล็กบ้างอัตราใหญ่บ้างอัตราหาประมาณไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปเถอะไปสําคัญผิดตรงนี้ในส่วนปารลบในส่วนเมืองปลายนี่นะนั่นสิบหกประเภท อีกประการหนึ่งก็พวกอาสัญญีวาทะเห็นตายแล้วอัตตาไม่มีสัญญาพวกเนี้ยพวกนี้พวกอสัญญีอันนี้จัดอีกเป็นแปดประเภทบอกไม่มีสัญญาล็อกตายแล้วเนี่ยใช่ไหมตายแล้วไม่มีมันมีในะกลุ่มกลุ่มกลุ่มอสัญญาสัตยพรมก็มีใช่ไหมเขาไม่ชอบสัญญาในกลุ่มเนี้ยเขาลัเจริญสัญญาเวลาค่ภาวนากลุ่มพวกเนี้ยเออเจริญสัญญาเวลาค่ภาวนากลุ่มพวกเนี้ย ก็คือว่าย่างยืนไม่มีสัญญาย่างยืนไม่มีสัญญาอีกเยอะเหมือนอาตาทั้งมีรูปแล้วไม่มีรูปอัตาทั้งที่มีรูปก็ไม่ใช่มีรอัตามีที่สุดแล้วไม่มีที่สุดนี่นะเขว่ากันไปและเนวะสัญญีนาสัญญีวาทะเมียสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อันนี้อีกอีกอีกแปดแล้วพออุเฉทวาทะตายแล้วเห็นว่าขาดศูนย์เห็นว่าขาดศูนย์เห็นอนาคตใช่ไหม เห็นไหมก็เป็นอนาคตอีกขาศูนย์ลักษณะนี้อัตราที่มนุษย์นะ น, นะเป็นต้นเห็นว่าขาศูนย์บ้างอัตราที่เป็นทิพย์ขาศูนย์บ้างอัตราที่เป็นทิพย์มีรูปสําเร็จทางใจพวกอากาสาร น, นจายตนาวิญญาอากินเนวะเห็นว่าขาศูนย์ไหตายแล้วขาศูนย์หมดเลยพวกเนี้เพราะเขาถือว่าเขาจะนิพพานของเขาใช่ไหมพอเขาไปอยู่หน้าที่ตรงนั้นใช่ไหมเมื่อเสร็จก็ถือว่าถ้าดับตรงนั้นแล้วก็ขาศูนย์เลยดูสิเนี่ยกลุ่มพวกนี้ต้องล้าด้วยด้วย สังขารไอ้ด้วยโดวยวิปัสนาสัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะสัมมาสติไปตามที่จะละมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ที่จะเป็นไปในส่วนปลารถเบิ้งปายเหล่านี้เป็นละไปละแบบไหนสัมมาทิฏฐิเข้าไปวิจัยเพื่อจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะเพื่อจะเพื่อเพียนละความเห็นแบบเนี้ยเพื่อจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิสติก็ตามระลึกเพื่อจะละนิจฉาทิฏฐิไอ้นี้เข้าถึงสัมมาทิฏฐิ ลักษณะนี้ว่าสมาทิฏฐิสัมมาสังวายมะสมาสติก็แวดล้อมสมาทิฏฐิไว้ขยายความเห็นนี้กว้างต้องขยายกว้างนะเพราะอย่างนั้นนะถ้าหยุดขยายหยุดวิจัยเมื่อไหร่ในวิปสัสสนาสมาทิฏฐีนะถ้าหยุดวิจัยเมื่อไหร่มันก็จะปกคลุมอีกแล้วความเห็นนี้ก็จะกลับเข้ามาอีกเพราะมันเคยฝังแน่นในกระแสขันาาธะอายะนั่ของเราท่านทั้งหลายอย่างยาวนานแล้วงั้นต้องวิจัยต้องวิจัยต้องเพียรพยายามละต้องมีสติตามเลยลึกเพื่อจะล ะ, ล ะ, ละ ก็จะเข้าถึงสมาธิถี่เข้าถึงสมาธิถี่ขนาดไหนจึงจะพอใจได้นู่นแหละโลกุตระสมาธิถี่เมื่อไหร่คือสามารถปลูกข้าวกล้าได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นอันหวังได้ว่าเราจะได้กินเม็ดกินผลนี่เราเราจะหยุดเพียรจะหยุดเ้อระลึกจะหยุดในการวิจัยก็จะยังเนถ้าถ้ายังไม่เข้าถึงสมาธิถี่ที่เป็นโลกุตระท่านสอนแบบนี้วิปัสสนาท่านสอนอย่างนี้เขาจะยัง อดีอย๋ยวไม่กเก่าแล้วงั้นเดี๋ยวเอาตัวนี้ทีนี้ทิฏฐาธรรมนิพานวารทะอันนี้ปัจจุบันมีปัจจุบันนะปัจจุบันนันเก่าไว้ห้าป่ะพี่เธอจักไม่ถือสังขารใดๆในท่ามกลางนี่นะทิฏฐาธรรมนิพานเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นไปในปัจจุบันความเพียรพร้อมนี้ถือว่า สบายแล้วเห็นไหมถือว่าการได้ได้สุขในการคุณก็เป็นความสุขแล้วเป็นนิพพานแล้วเป็นความดับความทุกข์แล้วนี่ไอความเห็นอย่างเงี้ยเพราะไม่ตารบสังขารที่เป็นไปในปัจจุบันไม่ตารบด้วยความไม่ที่ยงังเป็นทุกข์เป็นทนะตาเป็นต้นเห็นไหมมันก็เลยไปคิดว่าเนี่การเสพคุณการคุณทั้งหลายเนี่ยคือ น, นิพพานของเขาคือสวรรค์บนดินของเขาแล้วสวรรค์บนที่ต่างๆของเขาแล้วเห็นไหมทุกภพเป็นอย่างเงี้ย ว่าในการมาพบดูประพบในปาลบอเงี้ยพอเขาไปคิดดูเขามีความสุขนะในปัจจุบันเขาก็ติดเนี่ยบางคนก็ติดในรูปบางคนก็ติดในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ไปเข้าใจเป็นนิพพานของตนนิพพานของตนเห็นไ้มความสุขของตนเป็นเบ็เสร็จเพราะกลุมเหล่านี้ไม่ปารบสังขารด้วยวิปัสนาปัญญาด้วยวิริยะที่เกิดร่วมหรือวิปัสนาปัญญาด้วยสติที่เกิดร่วมหรือวิปัสนาปัญญาโดยการวิจัยใช่ไหมก็คือว่าไม่เผากิเลส ท่านใช้คำว่าวายามาไม่เผากิเลสให้เราร้อนอาตมาท่านเลยอุปมาเลยโบกเหมือนถางป่าไฟเผาเลยถางทิศขีเราเานี้ถางกิเลสเหล่านี้เอามากองไว้แล้วก็เผาเผาคือตะทางกัปปะหานไงเผาคือตะทางกับปะหานน ะ, ะมันขึ้นมาเมื่อไรก็ถางแล้วก็เผาขึ้นมาเมื่อไรก็ถางแล้วก็เผาอันนี้ลบหมดแล้วมั้งนี่ในกระแส ก, การท่าไรยะตะนาเนี่ยถางเผาไปกี่รอบแล้วต้องเตะระดั <c oughs> ไม่อาทิตย์ตั้งแต่เจ็ดวันมาเนี่ยถางแล้วเผาไปกี่ครั้งถางเผากี่ครั้งไม่ถามว่าเผากี่ครั้งคือจริงๆก็ต้องถางใช่ไหม การรักในฐานกองไว้เผาใ น, นไหนเผาคือตะทางกับาหารตะทางกับาหารเป็นปัจจัยแกัสมุเจตละเรื่อยๆฐางถานก็จะเป็นปัจจัยกันล ะ, ะไม่ใช่ใช้มีจฉาทิฏฐิในะช้สมาธิจิตใช้สมาวยมะใช้สมาสติแวดล้อมสมาธิิขยายแวดวงคือคือให้เขาเข้าใจก่อนพอเข้าใจวันนี้สมาธิิแบบเมื่อเข้าใจวันนี้สมาธิิเบสเ็จแล้วก็แวดล้อมสมาธิ เอาเอาสมาธิที่ไปแวดล้อมมาสมาวิมาสมาสติแล้วก็ขยายสมาธิที่กว้างขึ้นอยากให้สมาธิหายไปจากการกระแสขันความเข้าใจอ่ะแล้วใครมายกตัวอย่างนี้นะถามว่าสมมุติว่ามองยอมวอยวัดสมาธิที่เกิดแล้วไปมองยอมยิงการสมาธิที่ไม่เกิดต้องวิจัยด้วยทุกขันที่เกี่ยวข้องทุกอารมณ์ที่เกี่ยวข้องวิจัยเป็นสมาธิที่หมด อยาให้มีชาตรีจับนั่นแหละวิธีถางเข้าใจยังเดียวนี้ยยกตัวอย่างเช่นมองเห็นด้วยความไม่งามอ่ะมองยังไงมองเห็นด้วยความไม่เที่ยงมองยังไงมองเห็นด้วยความเป็นทุกข์มองเห็นด้วยความเป็นอนัตตานั่นแหละเขาเรียกถางแล้วเผามันเข้าใจเลื่อนเผาเผาความเข้าใจผิดทิ้งไปเอาความเข้าใจถูกตั้งไว้แล้วก็ขยายความเข้าใจถูกไปเรื่อยๆทุกอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องเผ า, าแบบตะทางค้ า, า, า, า, า, าแบบตะทางค้าอาริยมรรเกิดเมื่อไรเราสมุเจทอาหารที่ตะทางก้บอาหารเป็นอย่างนี้ไล่ไปเนอธรรมาจะไล่ไล่ถ้ามีช่วงเวลาช่วงบ่ายนจะไล่วิบังนายันโดยย่อยฟังว่าเผาเผาไปจนถึงไหนถึงตะทางก้บอาหารนะจะพูดไปเกิดบรรลุทําไงไม่ไม่ เยอันนี้ไม่ใช่อาตมาก็ยุ่งเลยคนอื่นบรรลุแล้วอาตมาไม่ได้เขาเขาไปเนี่ยเขาพูดไปแต่ไม่เป็นไรนะมาโมทนาอาตมาตั้งใจอย่างนั้นตั้งใจให้ทุกท่านทั้งหลายเนี่ยได้ได้เข้าถึงในได้ได้สามารถเชื่อมโยงพระเจ้าได้นะนั่นเป็นเกดนาถ้าท่านทั้งหลายสามารถเข้าถึงพระเจ้าฟังพระเจ้าได้สืกอาคําสอนปุ๊บก็มีพระเจ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้เป็นเสร็จอาตมาหมดจิตแล้ว ใชมอ่านมาพอใจเแค่ตรงนั้นนะแต่ไม่ได้ทําทุกคนนะแล้วแต่ใช่ไหมแต่ความายของโ อ, โอ้ยดังนั้นอ่านมายุ่งเลยเย่ะโอ้โห ไ, ไม่ได้มีคนคอยจ้องอ่ามาอยู่หลายคน <c ười> คือต้องการจะให้เราท่านทั้งหลายได้ไ ด, ได้เข้าใจคุณธประส่งว่าพระเจ้าหวังอะไรในตัวเรา <c ười> ใช่ไหมถึงบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ไม่เจาะให้ลึกจริงๆนี่นะอวิปัสสนาเราพลาดแน่นอน แน่นอนเพราะของเราจะไม่ตรงกับของพระเจ้าเสียแล้วคาดแน่นอนใช่ไหมต้องต้องต้องให้เข้าใจรู้พูดพูดแค่นี้หลายๆท่านอาจจะเริ่มเข้าใจไปเยอะแล้วก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมถ้าเข้าใจเยอะตอนบ่ายช่วยแสดงให้ฟังหน่อยได้ไม้มมาอยากฟังมากเกินตอนเนี้เพราะเพราะพราะอยากฟังคนที่มีความเข้าใจจริงใช่ไหมทุกวันนี้หาอย่างเดียหาคนอธิบายให้มาเข้าใจ พ่มาก็ก็อยากจะเข้าใจมากๆากใช่ไหมเออปลาท่านไความเข้าใจดัจนั้นใครก็ได้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่ถือขอให้ท่านผู้นั้นมีความมีการอธิบายพระธรรมแล้วมาเข้าใจได้และเข้าใจมากกว่าที่เป็นอยู่นี่ได้นะนั่นแหละมาภูมใจแล้วจะมีศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้นใช่ไห ม, ไหมเพราะว่าศรัทธาของเราต้องบอกว่ายังกว้างอยู่เพราะยังไม่เป็นอัจฉริศรัทธาใช่ไหม แตวันใดวันหนึ่งประชุมโสดาปฏิมากลงสู่กระแสขันทาดใหยตนาของเราได้เมื่อไรวันนั้นเราจะประกาศได้เลยว่าเราเป็นผู้มั่นคงแล้วไม่ถือศาสดาอื่นแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่มั่นคงนะยังไม่มั่นคงนะถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะไม่มาฟังทำกันอีกเยอะนะเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมค่อยๆหลุดไปเรื่อยเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยใช่ไมนี่นี่เป็นอย่างไงโอ้ยเขามีธุระนั่นเดี๋ยก็คือนั่นแหละใช่ไหม ก็คือนนะหลเรื่องศรัทธานี่เป็นเรื่องดีเนี่ยกลุ่มเนี่ยอีกกลุ่มที่สองพวกเรียรพร้อมด้วยปฐมฌานเรียรพร้อมด้วยทุติยฌานที่สามเพียรพร้อมด้วยตาทิฌานที่สี่แล้วก็เจตุติฌานเป็นที่ห้ารวมอรูปฌานทั้งหมดดูตรงนี้กล่าวไว้แค่นี้ก็จริงนะแต่ในยะให้เข้าใจนะกลุ่มที่เข้าใจว่าฌานเป็นนิพพานทั้งหลายเป็นวิชาที่ทีหมด เพราะไปเข้าใจว่าเป็นความดับทุกข์ในปัจจุบันฉะนั้นต้องละความเห็นผิดที่เป็นไปปลารบสังขารต้องปลารบด้วยความไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมเพราะถ้าเราไปดูในบางสูตรที่ท่านพระส า, ารีบุตรเคยสอนท่ากับพระโมกขาลานาลียังไงเนี่ยจะมาอยากจะจำสดสนหน่อยนะที่ท่าสนสอนท่นนาบอกว่าคนที่มีกิเลสและไม่รู้ว่าตนนัวเองมีกิเลสกับคนที่มีกิเลสและ ก็รู้รู้ว่าตนเองมีกิเลสเป็นต้นเหลเานี้ใช่ไหมกลุ่มเนี้ยเขามีกิเลสแต่เขาไม่รู้ว่าเขามีกิเลสเขามีทิฏฐิอยู่แต่เขาเขาไม่รู้ว่าเขามีทิฏฐิใช่ไหมเพราะเขาไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีสมาธิไม่มีแม้แต่ฌานะสัมมาทิฏฐิแต่เขาได้ฌานลงที่ดึกนี่เข้าใจยังเขาไม่มีแม้แต่ฌานะสัมมาทิฏฐิแต่เขาได้ฌาน ฉะนั้นฌานเหล่านี้พระเจ้าจึงบอกว่าไม่เป็นที่ตั้งของการพ้นทุกข์ใช่ไหมดังนั้นท่านถึงอธิษฐาท่านถึงขยายฌานนะสมาธิถี่ได้ไวงั้อย่าแปลกใจว่าได้ฌานแต่เป็นสมาธิเป็นวิชาที่ถียครับเพราะไม่เข้าใจสภาวะขององฌานดีชัดเจนไม่เข้าใจเหตุปัจจัยของฌาน ไม่เข้าใจปัจจิตารลักษณะของฌานไม่เข้าใจสายมันยะย์สายมันยลักษณะของฌานนั้นเห็นไหมเนี่ยแม้ได้ฌานก็ไม่มีฌานนะสัมมาทิฏฐิประหลาดไหมนะประหลาดนะเพราะว่าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะไปสําคัญว่าฌานนั้นเป็นนิพพานไปซะแล้วใช่ไหมนั่นจะแปลกใจที่จะไปนั่งเอาความสงบกันเนี่ยแล้วก็ไปสําคัญว่าเป็น นิพพานแท้จริงก็ก็เป็นนั่งให้มิจฉาทิถีคุมอยู่นั่นเองแล้วก็พ้นจากสังสารวัตไม่ได้หน้ากลุณนาไหมอ่ะเห็นไหมมิจฉาทิถีหน้ากลัวมั้งนี่นี่แหละมิจฉาทิถีทั้งหกสิบสองเนี่ยที่ปารกเป็นไปในส่วนเบื้องต้นสิบหกแปดเพศเป็นสัตสะตาทิถิทั้งหมดเลยนะควาเห็นว่าเที่ยงจัดจัดว่าขาดคําสอนในเรื่องของอ น, นิจังทุกขรังในาตาของพระเจ้าเนี่นะ พรองค์ก็แสดงธรรมเพื่อจะให้เปลี่ยนความเห็นต่างๆเหล่านั้นส่วนการปารับในส่วนของเบื้องปลายเนี่ย44ประเภทเนี่ยบางพวกเป็นเสื้สตะเห็นว่าเที่ยงบางพวกก็เป็นอุเฉท้าวว่าขาศูนย์แต่ความเห็นว่าเที่ยงหรือเห็นว่าขาดศูนย์ก็ล้วนแต่เป็นความเห็นที่ยึดมั่นในอัตราตัวตนเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็ปรับบในส่วนของปัจจุบันเป็นต้นเหล่านี้ ตรงนี้เราก็ประรมาศสดาท่านก็นแสดงเกี่ยวกัเรื่องของมิจฉาทิถีเขาไว้ที่จริงเอามาหัวข้อในหลักสูตรที่เขาวางวางเขาไว้เนี่ยมาเรียบเรียงนะแต่แต่ในนี้หนังสือเนี่ยอามาเป็นคนอ่านเป็นอันไหนที่เขียนผิดเขียนถูกอามาเลือกที่จะเอามาประเด็นที่ถูกในนั้นบางทีไม่หยิบมาไม่ไหมแต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แปลว่าเป็นว่าเอามาจากพระไตรปิฎก ต้องมีจารีติี่ก็เหมือนกันแต่บางทีอนามาจะไปหยิบหางสืออื่นๆทั่วบมาเนี่ยอนามาต้องรู้อย่างระวังที่หยาดด้วยนะเนี่ยตรงนั้นนะเพราะว่าอะไรที่เขียนตะเลดิดอนามาก็ฉีดเว้นไว้อันไหนที่เขียนพอถูกต้องอนามา ก, ก็โอนี้ถูกต้องไอตรงนี้สําคัญมากถ้าอ่านแล้วสามารถที่จะปรับความเห็นของตัเองได้ว่าไหนผูกไม่ถูกตรงนี้สําคัญในยกปัจจุบันเนี่ยอันตรายมากบอกเราท่านทั้งหลายได้เลยเขียนไม่หมดไม่จบกระบวนความ เนี่ยตรงนี้นะเขียนสั้นๆลัดขัดตอนบ้างต่างๆเหล่านี้หรือว่าสั้นด้วยแล้วก็ออกนอกคําสอนด้วยอันนี้ก็ต้องระวังนะตรงนี้เหมือนกินยาเราท่านน่ะยามันเยอะนะเราต้องรู้จักด้วยว่ายาอะไรมันเหม<ย>านะเนีเนี่ยตรงนี้เยอะเพราะว่าลิขสิทธิ์มันง่ายให้เกินเนี่ยออกง่ายมากบ้านเมืองเราใช่ไหมฤกิ์ศิษฐ์ยาก็แหมออยรับรองหน่อยเต็มไปหมดช่ไหมใช่อันนี้พูดถึงยาเนะย ที่นี้พพูดถึงในเรื่องของทิฏฐิตรงนี้สักเล็กน้อยก็คือว่าในบรรดาทิฏฐีต่างๆเราเนี่ยนะในบรรดาความเห็นต่างๆเหล่าเนี่ยทิฏฐีคืออะไรเนี่ยนะความรูปคำคือทิฏฐีอะไรต่างๆเป็นต้นเราที่ตั้งของทิฏฐีบ้างทิฏฐีเป็นอย่างไรต่างๆเราเนี่ยถามถึงความกุ้มรุมของทิฏฐีมีเท่าไหรเป็นต้นเราจะคำคํางคำ้างไปตรงเนี้ยนะแล้วก็ทิฏฐีในการปารบขันนะตรงนี้ก็คือว่าทิฏฐีคือความรูปคำในการถือผิดเป็นคําตอบเลยนะ อีกอย่างนึ่งก็คือความถอนที่ตั้งของของมิชฉาทิฏฐิเป็นต้นได้นั้นเป็นชื่อของโสดาปริมักทิฏฐิมีอีกชื่อหนึ่งนะคำว่าอภินิเวศะอภินิเวศะในความถือผิดเพราะถะว่าถือผิดคือตั้งมั่นถือมั่นนั่นเองด้วยอำนาจด้ความถือผิดยังไงบอกว่าไปถือผิดด้วยความเป็นของเที่ยงเนี่ยใชของไม่เที่ยงเราไปถือผิดว่าเที่ยงของไม่งามไปถือผิดว่างามของที่เป็นทุกข์เราไปถือผิดว่าสุขถือผิดว่เป็นสุขของที่เป็นอนัตตา ปราศจากตัวตนเราไปถือผิดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนนะยกตัวอย่างเช่นอยกตัวอย่างเช่นว่ากรณีที่ตาหูจมูกเลิ้นกายเนี่ยไม่งามของขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยไม่งามเดี๋ยวเราไปถือผิดว่างามใช่ไหมเห็นเด็กเล็กๆมาอุ้ยตาใสแผลระวังกันนะใช่ไหมดีใจเลยอ่ะอันนี้แปลว่าเห็นว่าอันนี้เป็นอะไรมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแล้ น่เห็นความเห็นผิดมันมาอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกสักยะทิฏฐิเห็นผิดของไม่งามไปเห็นว่า ง, งามใช่ไหมเขาเรียกวิปริตมนุสิกาละอีกอย่างหนึ่งเขาเ ร, รียกปรมาสาวรูปคําอัตวกร้าวล่วงอาการที่ไม่เที่ยงเป็นต้นเดือนนานความเที่ยงเป็นต้นคือรูปคําก็ถือยึดถืออยึดถือมันล่วงอ่ะคําว่าล่วงล่วง อ, วงอาการน่ะเช่นว่าอาการที่ไม่เที่ยงใช่ไหมเราล่วงไปเลยไปเป็นเที่ยงไปที่ อาการที่มันไม่งามก็ล่วงเลยไปงามวู้วความคิดของเรานี่น่าเกียดแท้มันไม่ถูกมันไม่นะมันไม่ถือของจริงวะมันเลยของจริงไปยึดถือของไม่จริงว่าจริงเข้า mm hmm. ใจไหมมันเลยไปแท้คิดเลยอะเลยไปแท้เนี่ยมันล่วงไปเลยไปเห็นไหมของไม่งามได้แท้เนี่ยเราคิดเลยไปงามได้ไงยึดดูดีประหลาดไหม นี่มีจฉาทิฏี่เนี่ย ม, มันจะมีลักษณะของเขาอยู่อย่างนะลักษณะของเขาก็คือว่าให้ยึดถือในสิ่งที่ไม่จริงว่าจริงแปลกไหมไม่จริงไม่จริงแต่แว่าจริงแล้วลมองได้ยังไงเอาเห็นเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยมันจริงที่ไหนแล้วใช่ไหมหนักไปละมองเห็นดินน้ําไฟลมเป็นโูกเนี่ยปราดไหยเอาประหลาดไหม เห็นเป็นลูกได้นะก็ดินน้ำไบลมได้แท้ใช่ไม่ใช่ถ้าไม่เห็นเป็นลูกได้ที่หนัาเกินก็นั้นเห็นเป็นสามีบ้างเห็นเป็นภรรยาบ้างอ้ใช่ไหมถ้าเห็นโดยว่านี่เขาสมมุติเนี่ยอันนี้อันนี้ใครสมัยที่ตีอ๋อก็สมมุติว่าเป็นภรรยาแต่สมมุติจริงนะใช่ไหมสมมติจริงในโลกนี้ในชาตินี้ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวบอก มีสมมติเธอไม่ใช่ภรรยาฉันจริงหรอกเลยมันไปทั่วเลยเียยุ่งเลยไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เก็วิปริตใหญ่เข้าใจไหมเนี่ยคือมันเลยอ่ะเลยจากเลยจากของงามไปสู่ของเลยจากของไม่งามไปสู่งามเห็นไหมเลยจากของไม่เที่ยงไปสู่เที่ยงเลยจากของที่เป็นทุกข์ไปสุขเลยจากของที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไปเลยไปสู่ความเป็นตัวเป็นตนนี่เขาเรียกว่าล่วงปรมาสัมมันล่วงคาอย่างนั้นมันล่วงอาการไป แล้วเป็นไงี้ยงไหมจริงจริงเป็นเงี้ยมามันมองเตลิดทุกทีแหละใช่ไหมแล้วก็เป็นกันอยู่อย่างเงี้ยเอาเราลองคิดมาเรามองมองเี้ยพบเห็นเป็นหนังสือเลยใช่ไหมอมองพบเห็นเป็นหนังสือเลยรใช่ไหมถ้าดูเจอเนี่ยเห็นเป็นหนังสือก็ไปได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเข้าใจว่าโอ้นี่ดินน้ําไฟลมสีกินรถโอยาท่านเนี้ แปลเสื้้ามาเป็นหนังสือในหนังสือนี้จารึกพระธรามของพระบระมศาสดาจึงเรียกว่าพระไตรปิฎกอาจจะยาวหน่อยใหม่ๆนี่นะแต่มันเข้าใจอะ่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่เลยแล้วอย่างนี้ความเห็นชัดแล้วแยกแยะได้ไม่หลงในปรมัมมัสและบัญญตัติเป็นสมายที่สี่อ๋อสิไม่หลงในปรมัมมัสและบัญญัติเนะี่ยไม่ลุ่มหลงอะ่ะใช่ไหมเขาเขาเข้าใจเนี่ยเขาไม่รู้เข้าใจมาพูดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเข้าใจไหม ก็ศักยญาติจิก็มไม่มีวัสดาบันถึงจะล้าได้ยันบันเดี๋ยวจะอธิบายฟังยึดถือยังไม่ถือใจร้อนจังถือมั่นน่ะจริงๆถามว่าเขาเรียกพยัญชนะต่างอัฐะอัะเหมือนอะนน ประมาสัยอีกในย่าหนึ่งเมืร่รวบคำยึดถือสิ่งอื่นจากความจริงอันนี้เขาคืออธิบายไปอธิบายมาก็คือนั่นแหละก็คือว่าของเขารวบคำเนี่ยก็คือว่าหมายความว่ายึดถือสิ่งอื่นเช่นความจริงเป็นอย่างนี้ไปยึดถือว่าอย่างนี้จริงใช่ไหมเช่นอันนี่คือผมใช่ไหมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหี้ยในกระดูกพิลเต้นเหล่าเนี้ยเออเราก็ไปยึดมันเป็นผมจริงๆ อันนี้เลยนะเลยนะเนี่ยแปลว่ามันอื่นไปแล้วนะอื่นจากความจริงแล้วนะไปยึดว่าเป็นผมจริงๆใช่ไหมเป็นผมใช่ไหมแต่พอไปอยู่ในสรีระอื่นเรียกว่าขนใช่ไหมใช่ไหมเออพอไปอยู่บนศีรษะเรียกว่าผมพออยู่ที่อื่นเรียกว่าขนนี่ไงนะนี่ยก็เห็นไหมมันมันเลยไปยึดยึดนั้นจริงๆไปเลยดถือว่าเป็นจริงๆแล้วลองเอาไปนะใช่ไหม แต่ถ้าสิ่งจริงเขาก็คือดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุเอาวิโฆโฆริโพครูแปดเกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุก็มีเกิดจากอาหารก็มีเขาไปวิจัยอีกทีถ้าเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นอื่นเป็นไปตามความเป็นจริงนี่เป็นสมาธิที่ถ้ามันเลยไปปุ๊บเนี่ยมันอื่นไปแล้วอันนี้ปรมาใส่ศัพท์หนึ่งก็คือว่ามันอื่นจากความจริงไปเลยยากไหมยากเลย ก็ต้องวิจัยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจความจริงแล้วจนไม่ลุ่มหลงทั้งปรมัตและบัญญัตินั้นต้องไม่ลุ่มหลงนะฮะต้องต้องไม่ลุ่มหลงต้องมาวิจัยคือเลือดโอ้โหถ้าวิจัยไม่หมดนี่ยุ่งแล้วน่ะเข้านเข้าความเข้าใจผิดมันก็จะกลับใช่ไหมวิปัสสนาเหมือนอะไรนะเหมือนเอาหม้อแกว่งในน้ําไล่จอกเหนือหยุดแกว่งเมื่อไหร่มันก็ใช่ไหม มันก็เข้ามาติดกันอย่างเดิมท่านออมางั้นเลย อ, อรรถาแกว่งไปแกว่งไปเรื่อยๆไล่ไปไล่จอกแหนันกระจายเป็นความนะมะจนจนเป็นน้าําใสอะแล้ ว, ลวถ้ามันยังไม่ถาวรเนะี่ยไม่ได้จนสามารถไล่ออกไปไปปักแล้วก็ติดไว้อย่างถาวรแล้วรู้ว่าจอกแหนจะไม่เข้ามาสู่ติดอย่างเดิมแล้วคือจัดการในกระแสขันท่าไดยตนะให้สะอาดให้หมดจดให้ได้นั่นแหละวิปัสสนาเป็นอย่างนั้น ใช่เดี๋ยวไปไล่ไมิมิไล่สมารทาไไมิที่เอียวไปเอามิจฉาที่ฐิกลับมาไม่ใช่นะจอมาทํงงางกานที่ใ้ทำไมเจริญนี่โฆสนามันยิ่งไปใหญ่เลยนี่ยังนะสียุ่งเลยไปหมดเวลาแล้วมึงเอาเอาฮันได้ข้อนึงะเอาใขาจะายอีกข้ อ, น, น, อ, ข อ, ขอ น, นึงงยง ความรูปคำด้วยความถือผิดนะพิทนิเวศปรมาโสนี่นะพระตารีบุตรย่อมวิสัชนาภาวะอิทิฐิด้วยกิจว่าความถือผิดและความรูปคำมีการอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฐิท่านว่างั้นนะนะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ก็คือมิจฉาทิฏฐิให้สังเกตดูในอาตถาของมหาจตารีสกัดสูตรก็ดีหรือในเรื่องของวิปัสสนาญาณทั้งหลายที่ท่านกล่าวไว้เป็นต้นก็ดีนะท่านจะบอกว่าตัววิปัสสนาเนี่ยในกรณีาการไปพิจารณาไปวิจัยเนี่ย ก็คือวิจัยสองส่วนโดยอารมณ์โดยความไม่หลงเป็นต้นเหลเนี้นะก็คือให้รู้จักปัจจาลักษณะของมิจฉาทิฏฐิแล้วให้รู้ว่ามิจฉาทิฏฐินั้นมีสามัญยลักษณะอยู่กล่าวคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะได้ละได้ขยายยังรู้จักหน้าตาของมิจฉาทิฏฐิลักษณะเป็นยังไงใช่ไหมรักษาเป็นยังไงกิจของเขเป็นยังไงผลเป็นยังไงเขต่ยต่ำเป็นยังไงเขต่ใกล้เป็นยังไง โดยเฉพาะว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิสังเกตได้ง่ายๆที่สุดเลยคือว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบฟังธรรมไม่ชอบเห็นพระ อ, อริยะเนี่ยวิจาที่ติเป็นแบบนี้ถ้าชวนไปฟังธรรมชวนไปพบอพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องหนักมากเขายังไม่อยากไป เขาเขาไม่ปรารถนาจะเห็นปริยะไม่ปราถนาจะฟังธรรมของปริยะไม่ปราถนาจะคบสัตว์บุรุษไม่ปราถนาเห็นเป็นบุรุชนแท้เลยก็เรียกอันเทาบุรุชนั่นแหละมีมิจฉาทิฏฐิแท้เดี๋ยวไปขยายที่หลังตอนช่วงบายเอตอนนี้ก็ต้องควรแ่วเวลาหนะึ่งั่นก็แก้เองอ่าจะทำเอาเอาตัวอัดที่วางไว้ทิ้งฮะ